เนมากมายซึ่งทีในระดับน้อยก็เคารดการเจ็บป่วดถ้ามากก็อนไข้กจะลดการรู้สึกตัวไปแต่จะจปทำให้ขัดความกระบวนการที่คนไข้จะยางตั้งสติหรือว่าพยายามที่จะที่จะตายอย่างสงบทุกแบบคือความตายอย่างสงบเนี่ยมันมันมันมีความหมายทั้งในแงๆที่เป็นเป็นผลของการที่จิตใจเข้าสู่ความสงบ แล้วก็มันก็เป็นตัวเหตุที่นําไปสู่การเยียวยารักษาหลายอย่างอ๋อย่างแรกก่อนคือว่าการตายสงบเนี่ย ม, มันเป็นผลของการที่เป็นผลของกระบวนการที่ที่จิตใจได้เข้าถึงความสงบตรงนี้เนี่ยคือพอในช่วงที่ยังไม่ตายเนี่ยที่ยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยมิติด้าจิตใจเนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้าทุรนทุลายแล้วเนี่ย ความทุกข์ทางกายเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นคือเหมือนกับเราคนเราปกติเนี่ยนะเวลาเราเวลาเราเราเป็นโรคหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าใจเราสงบเนี่ยความทุกข์มันจะลดลงคนไข่าบางคนเนี่ยพอใจเขาไม่สงบแล้วเนี่ยความทุกข์มันเพิ่มมากขึ้นน ะ, ะตัวอย่างเอ็กซ์ตเนี่ย ก็คือมีคนไข้ที่เป็นเป็นชาวบ้านเนี่ยแกก็เวียนเข้าวเวียนอกโรงพยาบาลอยู่หลายวันหลายครั้งเสร็จแล้ววันหนึ่งหมอก็บอกคนไข้ว่าป้าป้าเป็นมะเร็งนะอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนนะแกอยู่ได้แค่สิบสองวันแกตายเลยอ้ที่ตายเนี่ยถามว่าตายเพราะอะไรตายเพราะตายเพราะมะเร็งหรือ หรือว่าตายเพราะใจที่ใจที่ช็อกใจที่ตกใจที่ตื่นตระหนกใจที่กังวลนะบางทีโรคโรคทางการมันแค่เนี้ยแค่ 50% เปอนี่ยปกว่าพอทุกใจเนี่ยมันคูณ2คูณ3เพราะฉะนั้นเนี่ยในในในในกรณีผู้ป่วยผู้ป่วยสุดท้ายเนี่ยราจะพบว่ามี ม, มีมีหลายลายที่ แม้ว่าจะให้ให้ให้ยาอะไรไปนะแต่ว่าพอสักพักเนี่ยผู้ป่วยก็กระสับกระสา่ายยังมีมีหมอที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยท่านหนึ่งก็เลาใ้ฟังว่ามีคุณลุงคนหนึ่งนแกอยู่กําแพงเพชรเนี่ยแล้วก็แกแกก็มาแกก็มาป่วยที่าสู่อที่ที่จุฬาแล้วแกเป็นประเภทเลยว่าจะไม่ค่อยตอบสนองต่ อ, ต, อต่อยาพวกเนี้นะ ยาพวกรังงาปวดเนี่ยให้ไปสักพักเดี๋ยวก็กระสับกระส่ายนะก็ไม่เข้าใจเสร็จแล้ววันหนึ่งแกก็ไปแกก็ไปดูผู้ป่วยผู้ป่วยก็เหมือนกับเหมือนกับแกเขียนอะไรบางอย่างเขียนเป็นข้อขความแกตอนนั้นแกมีเครื่องช่วยเครื่องช่วยช่วยใส่ท่ออะไรเยอะแกก็เขียนมาเขียนคำว่าเชียงใหม่คําว่าเชียงใหม่นะก็ไม่เข้าใจปรหมายถณเท่นไหร แกมีรู้ที่เชียงใหมยย่หรือเปล่าก็ไม่มีลูกแกก็มาดูแลรักษายอยู่ที่ที่ที่จุฬาก็คุยกับลูกสักพักเนี่ยลูกก็บอกว่าสงสัยจะเป็นอย่างนี้มั้งคือแกเกิดมาป่วยที่เชียงใหม่แล้วก็ไม่รู้สึกไม่รู้จะไม่รู้ว่าที่นี่หรือเปล่านะแล้วแกบอกแกตั้งใจว่าจะอุทิศร่างกายให้นะแกพุ่งห่วงอ่ะห่วงเรื่องซุ้บซุ้ัวคือว่างสาวคงค ง, ง, งห่วงเรื่องร่างกายเนี่ยนะหมอก็เลยบอกว่า ลุงไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้าหากว่าถ้าลุงมี ม, มีอันเป็นไปเนี่ยนะทางจุฬาเนี่ยรับได้นะยินดีรับการรับร่างการของลุงเนี่ยมาเป็นอาจารย์ใหญ่ได้ถนะ้าพวกปบบนี้เนี่ยใสงบเลยนะยนสงบเลยคือลอากาแบบแบบลักษณะแบบนี้เนี่ยจะมีจะมีจะมีเราจะพบอยู่อยู่อ ย, อยู่หลายกรณีคือคนที่เรียกว่ามีการต่อสู้ขัดขืน ที่ยาเนี่ยมันไม่ประสบผลเนี่ยนะกระสับกระไซแต่เสร็จแล้วเนี่ยพอพอูดให้เขาเนี่ยปล่อยวางหรือทำให้เขาเนี่ยน้อมน้อมนำไปนั่งที่สงบเนี่ยพรากว่าการตอบสนองต่อต่อต่อยาเนี่ยดีขึ้นหรือบางทีไม่ต้องใช้ยาหรือก็ได้นะเออประการแรกคือตอบตอบคำถามคือว่าอใจในสงบแล้วเนี่ยการตอบสนองต่อ ต่อเทคโนโลยีนี่ดีขึ้นแล้วก็ความทุกเนี่ยความทุกของคนไข้นี่ก็จะลดลงซึ่งความทุกหลายอย่างเนี่ยยานมันเอาไม่อยู่เพราะมันเป็นความทุกทางใจใช่ฮะ mm hmm. อย่างที่เราทราบในโรคไซโคโซมติกนี่ ก, นก็เกิดเยอะนะคนธรรมดานี่ยังมีปัญหาไซโครโซมติกมากมายบางคนนี่โกรธเกลียดคนน้นคนนี้แล้วก็เกิดโรคความดัน ปวดหัวปวดท้องเรื้อลังความดันสูงรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายด้วยวิธีทางการแพทย์แต่พอหมอนแนะนำให้เขาให้อภัยนะให้อภัยเนี่ยปรากฏว่ามันช่วยลดไปได้เยอะเลยนั้นะตระกูลคือว่าการกระบวนการช่วยเหลือทางจิตใจเพื่อให้เขาสงบเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยมันช่วยลดความทุกข์ทางกายไปได้เยอะนะ ซึ่งในแง่ของคุณภาพชีวิตมันดีขึ้นนะมันดีขึ้นนะเพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่อถึงวาระสุดท้ายเนี่ยการจากไปอย่างสงบเนี่ยมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกค น, นควรจะเข้าถึงมันเป็นสิทธิของทุกคนนะที่ควรจะตายอย่างสงบแล้วก็เป็นสิทธิที่ไม่มีอะไรจะซื้อได้แล้วก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีแล้วเพิ่งน่าคือว่าการการ การการที่จิตใจจิตใจในเ่อเขาเข้าสู่ความสุขในในระยะสุดท้ายเนี่ยมันมีผลต่อศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตของคนไข้และและเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยการตายอย่างสงบก็เป็นอันหวังได้ในแงนี่มันคือผลของกระบวนการ spiritual support ที่เราได้ให้กับผู้ป่วยนะมันทำให้เขาเนี่ยเออมัน ทำให้เขามีคุณภาพชีวิต ท, ที่ดีประการที่สองเนี่ยมันเป็นผลของการเยียวยาทางจิตใจของญาติเพราะเราพบว่าคนไข้ญาติจำนวนไม่น้อยเนี่ยเขาจะฝังใจไม่ใชฝังใจที่เขาพบว่าคนรักของเขาเนี่ยตายแบบทุรนทุรายจนวินาทีสุดท้ายโดยเพราะ แม้ว่าหมอจะช่วยมากจะช่วยแค่ไหนก็ตามเนี่ยจะใส่ปัม๊มอาจจะใส่ท่อจะปัม๊มอะไรก็ตามเนี่ยแต่การตายแบบแบบแบบทุรนทุรายเนี่ยมันกลายเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความประ้สึกที่กรีดหรือฝังลึกในหัวใจของของของญาติอันนี้อตมานี่ผมไม่ต้องยกตัวอย่างก็ได้เพราะพวกเราเนี่ยคงจะคงจะเจอเยอะคนที่เลือกคนไายก็ตายไป สเดือนสเดือนหรือเป็นปีแล้วเนี่ยแต่เจ้าคนตวัวญาตนี่ก็ยังซึมยังทุกบางทีเป็น depression นะที่เห็นเขาจากไปในสถานที่ทุรนทุรายท่ามกลางเทคโนโลยีมากมายที่ที่เข้ามาช่วยในทางตรงข้ามแม้จะไม่มีเทคโนโลยีลยเข้ามาช่วยเลยนะแล้วเขาซึ่งทําให้ชีวิตเขาเนี่ยทำให้ลมาใจาเขาเขาไม่ได้ถูกยือ้อนานเท่าที่นานเท่าที่เทคโนโลยีจะทําได้แต่ ญาติพอใจญาติรูสือว่าได้รับการเ ย, ยเียวยาที่เห็นคนไข้เนี่ยจากไปอย่างนั้ น, ม, นมันมีความหมายมากเลยนะระหว่างการไปงสงบเนี่ยกับการไปอ่วงทุรนทุรายในสายตาของญาตินะคราวนี้ในแง่ศาสนาเนี่ยเรายังเชื่อว่านะนี่จะมาเข้าสู่มิติทางศาสนาเมื่อกี้ไม่ได้พูดเรื่องในแง่ศาสนาพูดในแง่ว่าคนที่แม้คนไม่เชื่อเรื่องศาสนาเองก็ ก็ประจักษ์ได้ว่าการตายสงบเนี่ยมันมันดีอย่างไงบ้างมันมีผลดีอย่างไรบ้างทั้งต่อคนไข้แล้วก็ต่อต่อญาติเพราะนี่ในศาสนาเนี่ยการตายสงบเนี่ยสำคัญเพราะว่าหรือว่าในพุทธศาสนาเนี่ยจิตสุดท้ายที่เราเรียกว่าที่เราเรียกาอาศันนกรรมอาสันนัรรมคืกรรมในญาตที่จะอาสันรือว่าก็คือกรรม ในยามจวนเจนก่อนจะตายเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่มาถึงกรรมในทางจิตใจเรือกมนโนกรรมเนี่ยสคัญมากเพราะว่าถ้าจิตเนี่ยเป็นกุศลก็จะไปสู่สุกติถ้าจิตเป็นอกุศลก็จะไปสู่ทุกติก่อนเลยส่วนกรรมก่อนหน้านั้นจะตามมาทีหลังจะส่งผนทีหลังพระุเจ้าท่านเปรี่ยนมาว่า เหมือนกับวัวเนี่ยที่มันอยู่ในคอกที่แน่นเนี่ยเวลาเปิดประตูคอกเนี่ยตัวแรกที่จะออกมาก่อนคือตัวที่อยู่ใกล้ใกล้ประตูจะออกมาก่อนก็หมายความว่าจิตในยามก่อนตายจิตสุดท้ายก่อนตายเนี่ยจะส่งผลก่อนให้ไปสู่สุคติหรือทุคติในชายพุทธการก็มีก็มีเรื่องของพระที่ท่านท่านได้รับจีวรใหม่มาแล้วก็ ท่านไปทันจะได้ใช้ท่านก็มรณะภาพก่อนที่มรณะภาพนี้ใจท่านห่วงหาอารวติวอ น, นั้นรากว่าพอท่านมรณะภาพท่านไปเกิดเป็นเป็นเลนในติวอนนะฮะต้องรอหนึ่งพระพุทธจ้าต้องให้ขันให้คนนี่ไม่ต้องไปยุ่งกับติวอ น, นั้นคือปกติท่านภาพมรณะภาพนี่ก็ต้องอัธบริขันก็ต้องมอบคล้ายคลึงมรดกให้แก่คนอุ่นต่อไปเป็นของสงที่ต้องมอบให้แก่คนอนต่อไป แต่ว่าผู้เจ้าบอกว่าไอ้กีวอนืนนี้อย่าอย่าเพิ่งใครอย่าเพิ่งให้ใครร อ, อครบเจดวันก่อนทำไมต้ครบ7วันก็เพราะว่ารอให้เลนมันตายก่อนเพราะถ้าไปย่างจิเพราถ้าพาไปทไํลายกีวอนนี่เลนมันจะโกรธเพราะเลนมันห่วงยังห่วงอยู่ว่าเป็นของกูของกูอะไรเงี้ยแลจิตสุดท้ายคือไม่ว่าจะเป็นจิตที่ห่วงหาอะไรสิ่งของทรัพย์สมบัติหรือลูกหลานหรือโกรธแค้นหรือรู้สึกผิด เป็นจิตที่อกุศลที่สามารถนําไปสู่ทุกขติได้อันนี้เพรา ะ, ะเนี่ยถ้าถ้าทำให้จิตเป็นกุศลเนี่ยมันมันจะมีผลต่อสุคติของผู้ตายและธรรมศาสตร์แสดงช่วยได้ว่าในวารสุดท้ายเนี่ยมันเป็นจิตที่สามารถจะบรรลุธรรมได้ด้วยอาจารย์วัดท่านเรียก ว, ว่าเป็นเป็นนาทีทองของชีวิตและสุดท้ายนี่จะเป็นนาทีทองของชีวิตสามารถที่จะ ส่งให้ไปสู่สู่ภพภูมิที่สูงขึ้นหรือบรรลุ ธ, ธรรมหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เมนนื่อในแง่นี้เนี่ยก็หมายว่าความตายเนี่ยมันไม่ใช่วิปริมันเป็นโอกาสด้วยเป็นโอกาสใ น, นการยกจิตวิญญาณให้สู่ภพภูมิที่สูงขึ้นจนกระทั่งหลุดพ้นจากความทุกข์หรือหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้อันนี้พูดในแง่ศาสนานะแล้วก็เพราะ้นศาสนาทุกศาสนาเนี่ย เขก็จะมีวิธีการเพื่อที่ทําให้คนคนคนคนไข้เน่ยตายสงบในศาสนาอิสลามจะเป็นศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์สก็จะมีการกา ร, การสารภาพบาปการอ่าการสารภาพบาปหรือการทําศีลจุ่มอะไรเป็นทั้งสุดท้ายหรือว่าศาสนาอิสลามก็จะมีการสวดมนต์นะเพื่อที่ได้กลับไปสู่พระเจ้าอลัลลอฮ ทั้งนี้ก็เ ป, เป็นวิธีการในการทีให้จิตได้เข้าถึงความสงบพุทธศาสนาก็จะมีพระมามาบอกทางหรือว่าให้ให้ในไทยอีสาก็จะเป็นพระเนี่ยแนะนําให้คนไทยเนี่ยถือดอกไม้ทุบเทียนพนมมือแล้วก็พร้อมดอกไม้ทุบเทียนเพื่อเพื่อจะไปบูชาพระเกศแก้วจุลามณีในสวรรค์ชัน้นสุดสิบอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะน้อมให้จิตเกิดความสงบ เพื่อไปสู่สุค ต, ติหรือเพื่อที่ได้ไปไปไปได้พบพระเจ้า อ, อันนี้เป็นเป็นเป็นมิติเป็นคำอธิบายหรือว่าเป็นเหตุผลในทางศาสนาว่าการทำจิตให้สงบในเวลสุดท้ายโดยเพราะในในจิตในขณะจิตสุดท้ายก่อนตายสำคัญอย่างไรนะ แต่ไม่ว่าเราจะเชื่อเรื่องนี้หรือไม่หรือไม่เชื่อก็ตามเนี่ยตระมาคิดว่าการที่ชุกช่วยทําให้เขาจากไปเนสุดท้ายเนี่ยคือมแม้แม้เราจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอนาคตหรือพบหน้าเนี่ยแต่สิ่งที่เราประจักษ์ได้แน่นอนก็คือว่ามันทําให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคนไข้ได้พบกับความความสงบเป็นครั้งสุดท้ายนะแล้วก็ทําให้ญาติเนี่ยเขา ได้รับการเยียวยาเขาจะไม่ไม่รู้สึกผิดกับกับตัวเองหรือก็จะไม่รู้สึกเศร้าหมองกับภาพที่เห็นจากการทุรนทุนลายของของคนรักของเขาฉา น, นั้นมาเรื่อตรงนี้สำคัญค่าาาลา ร, าราง้งแว เลยไงก็คือคือเราในคาเห็นของตัวเองที่คือกึ่งๆนะคะส่วนนึงก็มีความรู้สึกว่าวิโอนี่น่งก็อาจจะดีก็คือทำให้เขาไปอย่างสงบแต่ใจหนึ่งก็ยังแบบอยู่ในภาวะที่กึ่งึยังไม่สบายใจนะคะคืออันนี้มันก็ไม่มีสูตรสาเร็จนะการที่ <c oughs> การที่คนไข้เนี่ย <c oughs> เขา <c oughs> เขาได้มี มีเวลายืต่อไปเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสในการที่โอกาสที่เปิดโอกาสให้ญาณนิเนี่ยได้ได้ทําในสิ่งที่สําคัญหรือว่าได้สทำในสิ่งที่เรียกว่าภารกิจที่ค้างค้างให้เสร็จสิ้นได้อาจจะเป็นมีทําให้คนไข้าทาให้ญาณมีเวลาที่จะมามาขอโหสิมากล่าวคําอําลานะ หรือว่ามามาได้ทําอะไรบางอย่างที่จะช่วยทําให้เขาปลดเปลื้องสิ่งทั้งขาดใจของตัวตัวตัวญากอาตมาคิดว่าตรงนี้ก็สําคัญนะบางทีคนไข้คนไข้นี้เขาอาจจะบางทีคนไขน้ก็าอาจจะจะใกล้จะไปแล้วนะแต่ว่าการที่อ่ายืดเวลาเข้าไปแล้วทําให้ญาติมีเขาเริ่มทําใจได้อาตมาคิดว่าสิ่งนี้ก็มีความหมายเหมือนันนะ แต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเขามันจะเป็นความทุกข์เแต่เขานะแล้เป็นความทุกข์ที่เขาไม่ต้องการเช่นเขาอาจจะแสดงความเจ็บจม้งว้ว่านี่นี่คือสิ่งที่เขาไม่ต้องการนะฮะอันนี้การที่เราช่วยเขาไปางสงบอาจจะดีกว่าจนะมาพูดว่าการที่คนมงคนที่เขาได้ได้ได้ได ได้ผ่านได้ได้ทำอะไรบางอย่างนะการที่เขาได้ถ้าเขาจะมีเวลาอยู่สักระยะหนึ่งเพื่อที่เขาจะทำอะไรบางอย่างมันก็ก็ดีบางทีข็อจะบางทีคนที่เป็นคนที่เป็นเป็นแม่เป็นพ่อบางทีถ้าขา่อข้อจะยอมที่จะยอมที่จะทุกข์ เมื่อเขาเป็นคนไทยนะก็จะยอมที่ที่จะทุกข์เพื่อที่จะให้เปิดโอกาสให้ลูกเนี่ยได้ทําในสิ่งบางอย่างให้แก่เขาเพื่อความสบายใจของลูกและถึงตอนนั้นเขาจะไปแต่ก็ไม่เพียคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ก็พร้อมที่จะทําเหมือนกันไม่ทราบต่อคําถามหรือเปล่าคือคือคันพอดีที่มีปัญหาก็คือว่าส่วนใหญ่จะทราบอยู่แล้วว่าคนไทยคง ใส่เครื่องช่วยหายใจก็อาจจะอยู่ไม่ยาวแต่ว่าจะมีช่วงเวลาที่ใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่สบายสำหรับผู้ป่วยแล้ก็บางครั้งก็กลายเป็นว่าทางการแพทย์ก็จะบองว่าอันนี้เป็นภาระเป็นความสิ้นเพลิงนี่มันก็มีคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า withholding ก็คือหมายถึงว่าถ้าเรารู้แน่ๆว่าอันนี้เป็น end น t a g e case แล้วก็ใ ส, ส่เวสต์เบรเดอร์เนีคงไม่ใช่การที่จะทําให้เขาหรือ้นขึ้นมาเป็นคนปกติก็คงจะมีวันที่เขาจะต้องไปเองแต่ว่าช่วงเวลาเนี้ยเราไม่ทราบว่าจะนานเท่าไหร่ในบางครั้งเนี่ยก็จะมีคอนเซ็ปต์ว่าเป็นไม่ใส่โดยที่ว่าต้องคุยกับญาติหรือว่าบางครั้งคุยกับผู้ป่วยตรงโรตรงนี้อาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยเคลียร์นะและในส่วนของผู้รักษาเราก็อยู่ในภาวะซึ่งเรียกว่า ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกต้องไหมถ้าย้อนอกลับไปสักหลายหปีที่แล้วเนี่ยเราจะไม่คิดเรื่องนี้เลยที่ว่าะจะใส่ respirator ในทุกคนแต่ว่าในปัจจุบันนี้เริ่มมีการคุยเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ผู้รักษาเองก็จะเริ่มคิดว่า เ, เราจะทําอันไหนถึงจะถูกต้องที่สุดคือมองในแง่ของทั้งจริยธรรมของเราเองในแง่ของความถูกต้องสําหรับผู้ป่วยและญาติ เป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากมากเราเลยจะเรียนถามว่าถ้าแบบนี้เนี่ยในทางศาสนาจริงๆเนี่ยคือเรามีเครื่องที่อาจจะช่วยยืดมันไปได้อีกแต่เราไม่ทำไม่รู้เรจะเป็นป<ะ>บาปไห อ, อคือการที่คนบางคนเขาเหมือนตัวเอาเรื่องเรื่องแต่คนไครเนี่ยถ้าเขาปฏิเสธการรักษาเนี่ยในทางพุทธศาสนาก็ไม่ได้บอกว่านี่คือการฆ่าตัวตาย เราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนคนเท่าคนแก่ที่เขารักษามาจานถึงจุดหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาเขาไม่รักษาแล้วเขาเริ่มต้นจากการที่เขาไม่กินน้ําไม่กินข้าวไม่กินยาแล้วก็ไม่กินข้าวแล้วต่อมาก็ไม่กินน้ําแล้วเขาก็เขาก็บางคนก็นั่งนั่งตายนั่งในท่านั่งนั่งพิงเสาแล้วก็ตายในท่านั้นนะคือมัอนก็เขายอมรับที่จะ ให้ร่างกายเขาเนี่ยจากไปด้วยกระบวนการธรรมชาติอาจารย์พุทธทาสก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านป่วยเนี่ยท่านก็ท่านก็บอกว่าท่านไม่ไม่รักษานะไม่ไม่ต้องผ่าเข้าโรงพยาบาล น, นะอันนี้จะแสดงว่าท่านท่านท่านฆ่าตัตายหรือเปล่าก็คงไม่ใช่แต่ว่าท่านเนี่ยคิดว่าร่างกายคงไม่ไหวแล้วก็ควรให้ร่างกายเนี่ยปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามกระบวนการธรรมชาติ ก็คือว่าไม่ต้องมีอะไรเข้ามาแทรกแซงทางกันแพทย์อันนี้นี่คือนี่คือมุมมองของพุทธศาสนาต่อคนไข้ที่ปฏิเสธการรักษาตอนนี้กับในกรณีของคนไข้ซึ่งเขาไม่รู้ตัวแล้วก็เราซึ่งเป็นพยาบาลหรือเป็นญาติเนี่ยอาตมาคิดว่าถ้าหากว่าเขาเนี่ยก็กําลังจะไปคงไม่ไหวแล้วการที่ปล่อยให้เขาไปด้วยกระบวนการตามธรรมชาติเนี่ยอาตมาคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องของปาาติบานะเว่นะแต่ว่าเราเราให้สิ่งที่สงควรจะให้เช่นให้ออกซิเจนหรือว่าให้น้ําเกลืออะไรไปหรือว่าให้ให้ให้สิ่งที่เป็นเป็นเรื่องพื้นฐานนะฮะของชีวิตนะที่เราียกปัจจัยสี่นะอันนั้นเนี่ยอาตมาคิดว่าก็ควรถ้าไม่ให้เนี่ยจะเป็นตัญหาสิทีนี้ถ้าเกิดว่า เราเกิดไปให้ขึ้นมาเนี่ยคราวนี่ไม่มีปัญหาเลยว่าให้แล้วไม่ต้องมาให้เลว่าให้เครื่องช่วยชีวิตนะฮะเสร็จแล้วไม่มีปัญหาใช่ว่าถ้าถอดเนี่ยมันมันเป็นเรื่องขึ้มนมาเลยใช่ไหมในสภาพเชนั้นเนี่ยการการไม่ให้ตั้งแต่ต้นเนี่ยยังเป็นการตัดสินใจที่ง่ายกว่านะแต่ตรมาคิดว่าแม้แ ม, แม้ให้ไปแล้วเนี่ยแล้วถอดเนี่ยมอเนี่ยตรมาก็ยังถือว่ามันไม่ให้เป็นการไม่เป็นการฆ่า มันมเหมือนกับการเข้าไปฉีดยาให้เขาที่เขาเรียกว่าเป็น active euthanasia ใช่ไหมฮะอันนั้นเนี่ยมันมันผิดแต่การที่เราตัดสินใจจะให้เขาตายไปให้เขาจากไปด้วยกระบวนการทางธรรมชาติเนี่ยสุดแท้แต่กําลังของสังขารของเขาสุดแท้แต่กําลังของร่างกายเขาเนี่ยธรรมะไม่คิดว่านี่คือการฆ่าเขานะแต่ว่าบางคนเนี่จะจะรูะ้สึกไม่ค่อยดีกับการที่ว่าใส่ท่ออะไรไปแล้วหรือให้ให้ ให้เครื่องช่วยหายใจแล้วเสรก็จะถอดออกนะแต่ในความเป็นธรรมบามะก็คงไม่ใช่แล้วนี่คือสิ่งที่ทำกับอาจารพุทธทาสเพราะถึงสุดท้ายเนี่ยราอยาที่ไปไปให้ไปทำทุกอย่างกับท่าน ท, ที่สื่อร่าแล้วใ น, นสุดก็คิดว่าก็อากาศทั้งแย่ลงแย่แย่ลงในสุดก็เอาพาท่านกลับมาใช่แล้วท่านก็จากไปด้วยวิธีทางธรรมชาติที่สุนโมนะ ช่วยให้เขานึกถึงความดีนึกสิ่งที่เป็นความดีสิ่งที่เป็นกุศลนี่คือหลักพื้นฐานเลยในสิ่งที่เป็นสิ่งความดีหรืกุศลเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างก็คือสิ่งที่เป็นความดีนอกตัวเช่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระรัตนตรยัยหรือพระเจ้าที่เคนับถือนะให้เขานึกถึง พระราชทนตรายให้เขนึกถึงหลวงพ่อที่เขาได้เคยที่เขาได้ศรัทธานับถือนะฮะหรือประการที่2คือให้เขนึกถึงความดีที่เขาได้ทําได้ทําในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเพื่อนความดีที่เขาเคยได้ช่วยเหลือสัตว์ได้เคยได้เคยทำบางสิ่งบางอย่างที่เขาภาคภูมิใจการที่ได้นให้ช่วยพ้น้อมนึกถึงสิ่งเหล่านี้ อาจจะเป็นความดีทั่วไปที่เขาทำในชีวิตประจำวันหรือว่าความดีที่มันโดดเด่นที่เขาภูมิใจเป็นครูเป็นผู้อำนวยการที่ดีหรือว่าเป็นเป็นเขาได้เคยทำบุญได้เคยสร้างวัดได้เคยสร้างพระพุทธรูปนะอันนี้เนี่ยอรตามาคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเนี่ยเขาสามารถจะรับรู้แล้วก็สัมผัสได้ง่ายนะฮะ แล้วก็รวมทั้งการที่ช่วยให้เขาได้ปลดปลื้งความในใจหรือว่าหมดสิ่งค้างขาดใจเช่นเขาห่วงอะไรเขาห่วงอะไรอย่างน้กรณีคุณลุงที่จะมาว่าเนี่ยขาห่วงเรื่องว่าเขาตายไปแล้วเนี่ยเขายังยังห่วงเรื่องร่างของเขาว่าจะจะไปถึงเชียงใหม่ได้อย่างไรนะบางทีเขาก็ห่วงอยากจะเจออยากจะลูกเจอหลาน คนรักบางทีเขาก็ อ, าอยากจะอยากจะได้เห็นหน้าหลานคนรักหรือว่าอยากจะได้ทําบุญสักครั้งหนึ่งถวายสังฆทานสักครั้งหนึ่งนะเราก็ช่วยเขานะหลักๆนีม่มีสองอย่างแต่เก็ไม่สนไม่ไม่มีพื้นฐ า, านทางธรรมะนะคือว่าให้เขาคิดถึงความดีคิดถึงพรตะนาตรายคิดถึงความดีที่ได้ทำสองช่วยเขา ให้เขาหมดห่วงหมดพวงหมดอะไรหรือว่าได้ทำสิ่งที่ข้างค้างหรือว่าได้ทำสิ่งที่อยากจะเห็นอยากจะทำาทั้งสุดท้ายในชีวิตนะอย่างที่มีโครงการพาเด็กไปไปทำในสิ่งที่เขาอยากจะอยากจะทำในครั้งสุดท้ายเช่นไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปสวนสัตว์อะไรเงี้ยส่วนผู้ใหญ่ก็จะมีความต้องการแตกต่างกันไปเราคิดว่าสองอย่างนี้นะจะจะ จะเป็นพื้นฐานเลยซึ่งต้องอาศัยความต้องอาศัยความใส่ใจของญาติหรือว่าของของพยาบาลที่จะรู้ให้ได้ว่าเขาต้องการอะไรใช่ไหมบางทีบางทีบางทีต้องอาศัยการซักถามและส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เขายังไม่พร้อมจะตายเนี่ยเขาก็จะมีอาการทุลนทุลายแม้ว่า จะใส่เครื่องใส่ยาให้เขาอย่างมีคนหนึ่งเนี่ยนะแกเป็นแกเป็นแม่แล้วก็แกแกเป็นมะเร็งและแกไม่ยอมคือข้าดิ้นรนต่อสู้กับโรคมะเร็งบอกว่ายังไม่อยากตายขอให้หมอทําทุกวิธีทางที่จะช่วยเขาเพยาบาลคนหนึ่งเนี่ยก็เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างในใจเขา สิ่งเหล่านี้เนี่ยคืออาการสะท้อนความไม่พร้อมที่จะตายเพราะมีความห่วงกังวลในอะไรบางอย่างหรือเปล่าเมื่อไปคุยกับเขาก็พบว่าเขาเป็นห่วงลูกสองคนนะลูก2คนตัว น, นี้ไปอยู่ความในความดุแลของคนอื่นก็จะเป็นห่วงลูกเขาจะกังวลว่าไปเป็นภาล่าให้แก่ใครหรือเปล่าพยาบาลก็ไปคุยเพื่ให้เขาให้เครคลายกังวลว่าคือเพราะว่าลูกลูกลุ่นเนี่ยสคนนี้เป็นคนดี ถึงมีคนที่จะดูแลรักษาเอาเราไปดูแลให้เขามั่นใจให้เขาหมดหวงว่านะหมดวงเรื่องลูกว่าลูกเขาเนี่ยนะเจ้าก็จะก็จ ะ, ก, จะก็จะไปได้ดีพอทําความพออธิบายหรือว่าก็าเรียกว่ า, าให้ความมั่นใจอย่างนี้เนี่ยราจะเรียกเป็นการปลอบใจก็ได้หรือทําให้ก็เห็นในมุมมองหรือว่าลูกเขาเนี่ยนะให้ความมั่นใจลูกเขาจะไปได้ดีเพราะลูกเป็นคนดี ใครๆก็รักเขาพอผู้หญิงเสร็จเนี่ยเขาก็บอกวความทุกข์เขหายไปลและ้ะ 80% เหลือ 20% นี่คือว่าเขาจะตายสงบไหมแล้วก็จะมีใครอยู่เป็นเพื่อนเขาในยามใกล้าตายไหมตอนนี้เขาจะเริ่ ม, เ ร, มเรื่มอยวาละความตายเลยนะฮะก็พยาบาลก็คุยเขาอีก ว, ว่าเนี่ยว่าคขานคนดีเนี่ยขอให้เขาพร้อมที่จะตายในความดีที่เขาได้ทําตายทําการความดีที่เขาได้ทํา ก็ทำให้เขาเนี่ยสบายใจแล้วถึงว่าสุดท้ายเนี่ยนะเมื่อเขาจะตายเนี่ยเขาลาลาพยาบาลนะแล้วเขาถอดนักถอดมาสออกแล้วก็บอกลาแล้วก็ไปสงบฮะนะีอันเนี้ยคือโรงพยาบาลนี่ก็ต้องก็ต้องก็ต้องเ อ, อียดลออพอและมีเวลาพอที่จะคุยกับเขา จกนกท่งให้เขาเปิดความในใจเขาห่วงอะไรใชแล้วคนร้อนนี่ห่วงได้สารัะห่วงได้หลายอย่างเลยเกินนะฮะบางคนก็ห่วงวิชาความรู้เช่นบางคนเป็นหมอทำเนี่ยแล้วจะตายแล้วก็ยังกระสับกระสายเหมือนเหมือนกับกรณีคุณลุงเชียงใหมน่นะคือว่าคือให้ยาอะไรไปเนี่ยแกบรรยาแกตอบสนองได้ไม่ดีเลยเนะให้ไปสักพักเดี๋ยวเอาดูละแกห่วงวิชาว่าไม่มีใครสืบต่อใช่ไหมจกนกระทั่งพอพยาบาลเริ่มเดาได้เนี่ย เริ่มจับทางได้ก็เลยให้หลานเนี่ยมารับมารับวิชาเด็กแกไม่หมายถึงว่ามาสืบทอดมามาสืบทอดเป็นหมอทำเด็ดแกแต่หลานอยู่ที่บ้านนะตัวก็อยู่โรงพยาบาลแล้วก็มาบอกข่าวแล้วโทรสารมาบอกว่าได้มีหลานมาสืบทอดเป็นหมอทำแล้วแกก็ตอบสนองตอนนะแกก็แกก็สงบขึ้นตอบสนองต่อต่อยาต่อการรักษาได้ดีแล้วแกก็แกก็ไปนะฮะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมัน เราไม่รู้เลยว่าเขาห่วงอะไรซึ่งบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเราก็ต้องคุยต้องต้องชนะแล้วก็ต้องไวพอที่จะเซ็นตรงนี้ได้เกีับที่พูดเรื่องธรรมะเนี่ยนะเวลาพูดเรื่องธรรมะเราก็เราก็เราก็ค่อนข้างจะจะาูสึมัเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนนะธรรมะมันก็มีสองอย่างนั่นแหละก็คือความดีความจริง ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราน้อมจิตให้คนเราไม่ถึงความดีที่เขาได้ทําหรือความดีที่อยู่นอกตัวอันนั้นก็ธรรมะนะฮะหรือถ้าเขาสามารถจะไปได้ถึงขั้นเห็นความจริงของชีวิตว่าความว่าชีวิตมันไม่เที่ยงมันไม่ีอะไรที่ที่จะเอาอะไรติดตัวไปได้เลยไม่มีอะไรที่เราจะเอาไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติลูกหลานถ้าเราพูดยังไงก็ตามเนี่ยให้เขาปล่อยวางในเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องลูกหลานหรือปล่อยวางมากนเรื่องชีวิต นะว่าคนลรนในสุดก็ต้องตายปล่อยวางความคิดถือทั้งมวลอันนั้นก็ธรรมะนะฮะน ะ, ะเวลาเวลาพูดถึงธรรมะนี่อย่าไปกลัวนะว่าโอ้ธรรมะนี่มันเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้เพราะไม่เคยเรียนที่จริงธรรมะมันมีแค่2 อ, อย่างถ้าพาคนได้ระลึกถึงความดีหรือน้อมจิตไปในทางที่ดีนั่นคือธรรมะแล้วก็ถ้าช่วยเขาเห็นความจริงของชีวิตว่า ชีวิต ม, มันไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราไม่มีอะไรที่จะเอาเราจเจ้าไปได้เพราะฉะนั้นปล่อยวางซะนะมีแต่บุญกุศลเท่านั้นที่จะพาที่จะที่จะที่จะที่เราจะเอาติดตัวไปได้พูดเท่านี้แหะฮะมันก็จะค่อยก็จะ ก, ก็เป็นธรรมทาแล้วแต่ที่มันจะพูดได้ลึกซึ้งแค่ไหนก็เป็นก็เป็นเรื่องของการฝึกเปรือแต่ว่าตัวตั ว, ตวสาระสำคัญเรื่นอนี้คือความดีและความจริงสัจธรรมของชีวิตว เราเราจะอธิบายว่ายังไงคะว่ากลังจากที่ไปสวรรค์แล้วแล้วก็ถ้าเราส่งส่งอย่างนี้ในสิ่งที่ดีทั้งหมูทั้งมวลที่เราทําแล้วนะคะไปได้แล้วเนี่ยถ้าในส่วนนั้นที่เราจะอธิบายยังไงคืออันี้ปมไม่ได้หมายถึงว่าคนไข้คิดอะไรนะคะแต่ว่าใจของพยาบาลเองนะคะว่าเออเราเราจะคิดยังไงว่าหลังจากนั้นเขาจะเป็นยังไงต่อถ้เกิดคำถามในใจหลังจากนั้นคือหลังตายไปแล้วอ๋อคือกรรมนี่นะมันส่งผล เร็วช้าไม่เหมือนกันนะกรรมบางอย่างเนี่ยมันให้ผลทันตาที่เราก ร, รเด็ดจรวดแต่กรรมบางอย่างเนี่ยให้ผลอาจจะหลายปีบางทีอาจจะถึงพบหน้าไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามครนนี้เนี่ยอสันกรรมเนี่ยมันเป็นกรรมพิเศษคือมันให้ผลทันทีเลยอย่างที่อามาบอกว่าคือว่าเหมือนกับวัวที่ติดอยู่ยึดที่อยู่อยู่หน้าประตู รัวพอเปิดประตูรัวเสร็จมันออกมาทันทีเลยเป็นตัวแรกคราวนี้เนี่ยปัญหาคือความในเวลากรรมทำกรรมไม่ดีมันมีมันมีผลเหมือนกันนะฮะแม้กระทั่งก่อนตายก็คือว่าเวลาใกล้ตายเนี่ยมันจะมีทางพุทธเขาเรียกว่าลิมิตกรรมนิมิตกรรมนิมิตคือการการ การเกิดภาพหรือการระลึกถึงถึงกรรมที่ไม่ดีหรือกรรมดีที่เคยทำนะคนที่ยิ่งเช่นคนที่ทำกรรมไม่ดีเช่นฆ่าสัตว์เนี่ยทำซ้ำๆกันเนี่ยก็อาจจะเกิดเป็นภาพนิมิตของสัตว์ที่เหมือนจะเข้ามาหลอกหลอนซึ่งจะทำให้เกิดความตื่นตกใจและทุรนทุรายใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้คนไข้เนี่ยเขา ทุกทรมานมากขึ้นวิธีที่เราช่วยเขาได้คือว่าการที่เราช่วยให้เขาน้อมจิตนึกถึงสิ่งที่ดีๆเพราะถ้าถ้าไม่ทำอะไรเขาเลยเนี่ยจิตมันก็จะไปปักอยู่ตรงกรรมที่ไม่ดีบางคนอาจจะเป็นคนที่ทำความดีมาตลอดแต่ว่าทำอะไรไม่ดีบางอย่างเอาไว้ซึ่งบางทีก็เป็นเรื่อเล็กน้อยแต่ก็ปักใจปักใจว่ามันเป็นเรื่องที่แย่เช่นเพียงแค่ว่าการที่ไม่ได้มีโอกาสไปเห็นไปดูใจพ่อแม่ก่อนตาย หรือไป ด, ดูใจป้าซึ่งเลี้ยงดูเขามาจนเล็กตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยก่อนตายไอ้เพียงแค่นี้ก็ทําให้เขาเนี่ยเกิดความเศร้าสลดหดหู่โดยเฉพาะในยามใกล้าตายได้ซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เลยแต่เขาถือเป็นเรื่คัญใจก็ปักอยู่ตรงนั้นนะตอนนี้คนธรรมดาจะเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีความเจ็บปวดทุกขเวทนาทางกายเป็นพื้นอยู่แล้วใช่ไหมวิธีการก็คือว่าให้เราเนี่ย ช่วยให้เขาน้อมจิตนึถึงสิ่งที่ดีๆแต่เขน้อมจิตถึงสิ่งที่ดีเขาก็จะไม่ไปไม่ไปรับรู้ความทุกข์ทางกายแล้วก็ไม่ไปขวนคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมเช่นการให้เขาการการสวดมนต์ให้เขาฟังหรือการที่ชวนเขาสวดมนต์ด้วยหรือว่าการพูดถึงความดีของเขาใช่ไหมฮคือนี่เป็นหลักธรรมดาคนเราเนี่ยเวลาปวดเวลาเจ็บขึ้นมาเนี่ยถ้าใจามันนึกถึงเรื่องอื่นนี่ก็หายเจ็บเวลาเราปวดเราเมื่อยเนี้ย เวลาเรานึกถึงเรื่องเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันก็หายปวดหายเมื่อได้เพราะว่าใจไปอยู่สิ่งนั้นเมื่อคนที่เล่นไพ่ เ, เล่นไพ่เป็นวันเป็นคืนไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกเมื่อยเลยไม่ใช่เพราะไม่ร่างกายไ ม, ไม่ไม่ปวดไปเมืม่อนะแต่ว่าใจมันแล้วมาไปอยู่ที่ไพ่แต่พอเริ่มเล่นไพ่เราก็ปวดหรือว่าพอมานั่งฟังธรรมะเมื่อไหร่ก็สิบหาทีก็เริ่มกระสับกระส่ายแล้วใช่ไหมคือเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหน เราก็ช่วยน้อมจิตของคนไข้เขาไปอยู่สิ่งที่มันเป็นดีสิ่งที่ดีๆเป็นกุศล น, นะฮะพูดถึงลูกพูดถึงหลานในเรื่ที่เขาเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นเป็นปู่เป็นย่าพูดถึงให้เขาได้เกิดความพูดถึงสิ่งที่เขาภูมิใจในชีวิตนะฮะสิ่งที่เภูมิใจในชีวิตเช่นเอ่อได้พูดว่าลูกคนนี้เป็นยังไงบ้างสมมุติเราเร า, เ ร, า, เ ร, า, ร, เารู้ประวัติเขารู้ประวัติลูกเขาดีเพียงพอนเนี่ยว่าลูกเขาทุกคนเนี่ย สำหรับในหน้าที่การงานแล้วก็ภาคภูมิใจก็พูดว่าลูกคนนี้เป็นยังไงบ้างไหนเล่าฟังซิไหนคนที่หนึ่งเล่าฟั ง, งก็าจะเล่าเรื่องลูกง า, าคนนี้เก่งคนนี้เดีย๋ยวนี้เป็นหมอเดีย๋ยวนี้เป็นนิสสวแล้วคนที่2เป็นยังไงบ้า ง, ง, งก็อะไรกชวนเขาคุยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็คือบางทีเราไม่ต้องพูดเองเนี่ยเราเพียงแค่โยนให้เขาพูดให้เขาคุยนะมันก็ช่วยได้นะมีคนนึงแกเป็นแกพ่อพ่อแกนี่ก็ป่วยหนักนะฮะแล้วก็พงาพงงา ตัวลูกนี่ก็เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์แกก็ไม่ได้มีความรู้เลยแต่แกรู้ว่าลูกลูกกับพ่อในภูมิใจลูกทุกคนใชแกก็ไปนั่งชวนคุยคุยกับพ่อแล้วก็ถามว่าคนนี้เป็นไงบ้างคือเจ้าตัวแกก็รู้นาใครเป็นใครแต่แกก็แกก็ถามคนนี้เป็นยังไงบ้างลูกคนเนี้แล้วคนนี้เป็นยังไงบ้างใช่ไหมแกก็คนแค่ก็มีความสุขไอ้ความเจดความความ ที่มันลบกวนติดแจมเขาทุลน์มันก็หายไปความทุลนทุลาลก็เลยลดลงไปนะอัน น, น, นี้นี่นี่เป็นนี่เป็นนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ช่วยได้นะเพราะฉะนี้ก็เรากา็พยายามที่จะพาเขาให้น้อมึงสิ่งที่ดีๆนะบางทีมันมีมันมี มันมีพลังยิ่งกว่ายิ่งกว่ายาสิไอเรื่องใจของพวกเานี่บางทีเขพูดยากนะเพราะว่าอย่างกรณีของโยมโยมพน ท, ที่ที่อัตมาเล่าเนี่ยที่ว่าแก่ท่อน้ําที่อุดตันเนี่ยช่วงช่วงวันสองสุดท้ายเนี่ยแกกระสับกระสายแกทุลนทุลายแม้จะมีสติรู้ตัวแต่ว่าแกทุลนทุลายมีแอรฮังเกอร์แต่พอชวนแก แผ่เมตตาให้โหสิกรรมไอ้วันสุดท้ายนี่ไออาการพวกนี้ก็หายไปแกก็รับรู้ได้โดยตลอดจนกทั่งไม่มีใครคิดว่าแกจะตายในวันนั้นแต่ว่าพอถึงตอนบ่ายแกก็ไปนะอันนี้เพราะว่ามันกระบวนการทางทางด้านจิตใจที่ช่วยน้อมให้นึกถึงสิกที่ดีงาม รู้สึกว่ามันขัดแย้งก่อยนะครับคือประเด็นที่ว่าการให้ความหวังเพื่อให้กำลังใจกับผู้ป่วยเนี่ยนะครกับการที่จะส่งเสริมให้เขารู้จักสัจธรรมในชีวิตคือการปล่อยวางเตรียมพร้อมที่จะพบกับความตายสองประเด็นนี้ก็รู้สึกว่ามันจะขัดแย้งกันหรือเปล่าบก็มันแล้วแต่แล้วแต่เคสนะกรณีคนซึ่งเขาคนซึ่ง คนซื้อข้าอา e จะยังไม่มีพื้นฐานทา ง, ทา ง, ทางด้านธรรมะล้วก็จ ะ, ะพูดให้เขาให้มีความหวังนะแต่ในกรณีนี้ต้องเป็นกรณีที่เราสึกว่ามันยังมีโอกาสที่จะเปอร์เซ็นที่จะรอดนี่มีอยู่พอสมควรนะไม่ใช่ 5% ้านะแต่ว่าก็ต้องให้เขาเผื่อใจไว้ด้วยนะ เช่นมีคนนึงเนี่ยมีมีคนไข้คนหนึ่ ง, นนงแกก็ถามพี่สาวว่าฉันจะรอดไหมเนี่ยพี่สาวก็บอกว่าแกก็ไม่ตอบแต่พูดว่าแกถามว่าแล้วถ้าเผื่อไม่รอดล่ะนะคือพี่สาวนี่ก็ไม่ได้ถึงกับให้กําลังใจแต่ก็พูดว่าแต่ก็ต้องพูดเพื่อให้เขาเผื่อใจไว้ด้วย น้องสาวก็เลยอพอถามว่าลเล้วเผื่อแล้วเผื่อไม่รอดล่อน้องสาวก็บอกว่าฉันยังจะอยู่ไกลความตายนะพี่สาวก็เลยบอกว่าก็ลองเผื่อใจไว้บ้างนะเพราะว่าอะไรนั้นก็ไม่เที่ยงนะให้อยู่ยังไม่ประมาะอันนี้ก็เป็นก็เป็นวิธีการพูดเพื่อเเผื่อใจไว้แต่มาคิดว่าเป็นเรื่องของการการเป็นเรื่องของดุลพินิจนะว่า กรณีคนไข้เนี่ยอย่างนี้นี่เราควรจะพูดอย่างไรแต่ตมารู้สึกนะว่าตมามีพื้นฐานมี ม, ม, มีมีหลักการเนี้ยเวลาพูดถึงความตายสงบนะถ้าอยากถ้าอยากตายอย่างสงบนะสิ่งแรกที่ต้องทําคือยอมรับว่าตัวเองกำลังจะตายอย่างแรกนี่นี่คือนี่คือสิ่งพื้นฐานเลยนะ ถ้าจะตา ย, ยางสงบนะแสงสอย่างแรกที่ต้องทำคือยอมแล้ ว, ว่าตัวเองกำลงังจะตายเพราะการยอมรับเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่ยอมรับเนี่ยจิตมันก็จะนิ่งส่วนใหญ่คนเรามีความทุกข์เพราะใจเราปฏิเสธใจเราขัดขืนใจเราต่อสู้นะแต่พอใจเรายอมเริ่มยอมรับเนี่ยมันมันมันสงบนะคราวนี้เนี่ยอาจรมีมีม มีอาจารย์คนนึงเนี่ยแกอยู่มอชอแล้ววันหนึ่งแกก็ะจะไปกรุงเทพเพื่อนชวนนั่งเครื่องบินส่วนตัวกลับกรุงเทพนะพอเครื่องบินได้บินออกจากสนามบินเชียงใหม่เนี่ยไ ด, ไ, ได้เพื่อนเซเวนาทีตยราอกว่ า, วาเครื่องติดขัดอยู่นี่มันดับเลยเครื่องดับเฉยๆเลยเพื่อนซึ่งเป็นคนถับก็พยายามสตาร์ตสตาร์ตเท่าไหร่ก็ไม่ติดตอนนั้นเนี่ยทาง ตอนนั้นสิ่งที่ต้องทําอย่างเดียวเพื่อทอําไงไพื่ให้เครื่องมันตกลงไปในในที่ที่ไม่ใช่ย่านชุมชนเพราะมันงั้นจะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตาย2คนจะตายมากกว่า น, นั้นก็พยายามล่อนเครื่องให้ไปลงในในบริเวณที่มันเป็นป่าใช่ไหมเพื่อนที่เป็นอาจารย์มอชอเนี่ยแกพอแกแกรุดแกแกต้องแกรุดต้องตายเนี่ยแกคงยอมรับเลยแก็อกใจก็สงบมากเลย และบรรยากาศข้างนอกก็เป็นใจด้วยเพราะว่าข้างบนนี่ก็เป็นท้องฟ้ากว้างฟ้าครามข้างล่างก็เป็นภูเขาเป็นป่าสีเขียวเงียบสงบเพรเครื่องมันดับมันมีแต่เสียงลมพัดแล้วก็สงบมากเลยแกต้องจะตายนะฮะแต่แกงสงบมากถามว่าเกิดเพราหอ่ อ, อรส่วนนึ่งก็เกิดเฉพาะบรรยากาศแต่ส่วนนึงเพราใจก็ยอมรับหลังจากปลุก ป, ปั้งสินาทีเพราะว่าในสุดเครื่องมันสตาร์ทขึ้นมาได้ ก็เลยตกลงว่าเงั้นอยพิ่งบินต่อแล้วกลับกลับไปเชียงใหม่ดีกว่าเพื่อไปเช็คเครื่องเพราะว่าตอนที่กลับนี่โหยทางสนามบินนี่เขาเตรียมเขาปิดลันเวเลยนะเพื่อที่จะรอร อ, อเพื่อที่จะรับรองรองรับเครื่องบินลํานี้อย่างเดียวเลยพร้อมกับรถรถดับเพลิงอะไรเงี้ยใ น, นสุดเครื่องร่อนไปปลอดภัยแล้วพบว่าเอาที่เครื่องมันดับเพราะว่าน้ำมันเข้าเราะก่อนนั้นฝนตก นี่เป็นกรณีของคนซึ่งคือเป็นตัวอย่างเพื่อนที่จริงก็แกก็แกก็ไม่ได้เป็นคนธรรมะธรรมโมนะแต่พอรู้ว่าจะตายเนี่ยคือแกไม่ต่อสู้ไม่ขัดขืนเนี่ยแกยังรอจะตายจะตายจะตายไม่คิดอะไรเลยไม่คิดเรื่องอดีตไม่คิดเรื่องอนาคตก็อยู่ทำภาษาเพื่อว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วปัจจุบันก็สวยซะด้วยนะรอบตัวเนี่ยโอ้เงียบสงบนะฟ้าสวยป่างามมันน้อมใจสงบนั่นคือเนี่วารคิดว่า อย่างแรกเลยเนี่ยสำคัญมากเลยนะซึ่งอาจจะไม่ใช่ง่ายแต่เป็นเป็นสิ่งพื้นฐานที่จําเป็นจะต้องเกิดขึ้นถ้าต้องการจะตายสงบคือว่ายอมรับว่าตัวเองกำลังจะตายหรือว่ายอมรับตัวเองใกล้จะตายแต่ถามว่าคนที่จะจะทําให้เขายอมรับได้หรือไม่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องต้องมีเวลาคุยกับเขาแล้ต้องแล้วต้องรู้ก่อนต้องจับให้ได้ว่าเขาห่วงกังวลอะไรหรือเปล่า ก็คนบางคนงที่เขาไม่อยอมตายก็มีเหตุผลประการเดียวคือเขายังห่วงอะไรบางอย่างอยู่แต่พอเขาหมดทวงหรือเขาเคลียร์เรื่องนั้นได้หรือเขามั่นใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยเขาก็ไปนะแต่แต่ตารย์ก็เห็นด้วยนะว่าคนบางคนเนี่ยเขาการที่เขามีความหวังเนี่ยมันก็ทําให้เขามีชีวิต อ, อยู่ได้เราก็ได้ยินได้ฟังเรื่องคนที่ผู้ป่วยมันเป็นเป็นบันเลงที่เขาคิดว่าเขาจะต้องหายจะต้องหายหรืออย่างที่เวลานี้มีหนังสือเรื่องอนะไรชื่อเดสิคเรตนะที่บอกว่า ใจอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าก็มันก็เป็นดาบสองคมนะก็คือว่าถ้ายึดแล้วไม่เป็นไปตามที่ยึดที่มันทุกข์มากเลยนะครับอันนี้เราก็ต้องให้เขาเปิดใจไว้เราก็ไม่เราก็ไม่เราก็ไม่ไปไปไปดับความหวังของเขาแต่เราก็ให้เขาเปิดใจไว้ด้วยนะเพราะถ้าเขาเปิดใจไวแล้วถ้ามันไม่ไม่เป็นไปตามความหวังมันก็ไม่ทุกข์และตัมก็ยอมรับนะทุกอย่างนี่มันมีมันมีปฏิหารในเสมอ ปฏิหารอย่างเมื่อวานที่คุยกับคุณคุณหมอหมองนะว่าคนไข้ในอเมริกาคนไข้ที่โคมคนไข้โคมา่าหรือเป็นผังมา19ปีเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้ก็มีหรือล่าสุดเนี่ยเมือม่อเมือ่อเมื่อสองที่ที่แล้วเนี่ยมีมีคนไข้คนหนึ่งแกแกสมองตายก็ไม่ทราบสมองส่วนไหนตายนะฮะตั้งแต่โดผู้สึกจิตแล้วก็มามาประมาณต้นกลางเดือนมีนาเนี่ยก็ ตัวลงว่าตายก็จะเตรียมผ่า<ม>เอาเอาวัยวะไปอุทิศให้กับผู้อื่นพอหมอกรีดเท่านั้นแหละฮะแกตื่นเลยฮะแกดิ้นก่อนแล้วแกก็ตื่นแล้วเดี๋ยวนี้แกก็กลับมา ป, ปกติแล้วแล้วแกก็เก็บมีดอันนั้นไว้เป็นที่เป็นเป็นที่ระลึกไอ้มีดนี่ทำให้แกแกรอดตายนะไม่งั้นเขาแกก็เสร็จไปแล้วลนะคือเนี่ยไอแบบนี้เนี่ยก็มีอะนะแล้วนะแล้วก็ ซึ่งตอนแรกก็ยังงงงงมันมนัมันมาได้ยังไงแต่ว่าเนี่ยมันมันมีแบบนี้อยู่เพราะนั้นเนี่ยเราก็เราก็ไม่เราก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ปิดทางแบบนี้นะแต่ว่าก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยมาเชิญนะ รวมๆก็อาจจะยังดีขึ้นได้แล้วก็ขึ้ปรับสนามต่ อ, อยาแล้วก็พอรังเครื่องที่ว้างใส่ต่อตรอี่ของสิ่งของเศษนะคะที่ทาให้เป็นกรณีแบบเนี้ยควรจะปรับสนามความต้องการของยาในการให้กลับบ้านหรือว่าเหมือนที่เราวินไว้แวต่วพอคนสดท้ายนะมันใ้กลับากคือล บ, บากกการหนึงตอนนี้ก็เอาพากลับยากแล้วลใช่ไฮะ ใชากจากพากลับเป็นจะเป็นอยู่ อ, ยรอร่วมหัวใจด้วยกัน่นะจะนลั้ว่าคนเราก็คิดว่าก็ยังมีโอกาสแต่คำว่าโอกาสที่เราก็ประเมินไม่ได้นะเท่าไหร่เรารู้ว่าถ้ากลับไปก็ไม่มีโอกาสแน่ๆแต่ว่าถ้าต้องการต่ยังสมวกก็ก็โอเค่กัๆๆนก็นคิดว่าเอไม่ใช่ว่าไม่มีไม่มีโอกาสเลยเราพยายามอธิบายทุกอย่างว่าเออสถานการณ์เป็นยังไงไรยาเียครับว่าก็บางครั้งก็พยายามที่จะเอ้ยเราควรจะไปยื้อแค่ไหนค็พยายามอธิบาย ใช้ควมพยายามไปอาิดีบายญากแค่ไหนรือว่าเอาละเพราะว่าบางครั้งนี่เราคนเรายื้มมากๆก็กลายเป็นว่าจริงๆคุก็ไม่รอดอย่างนี้นะเราก็กลับมาสึกผิดทีมรักษาปฏิสึกไม่ดีว่าให้เราจริงๆเราไม่น่ายิ้มน้แต่มันก็จะมีตัวอย่างว่าคนไข้ก็ดีใช่หมฮะก็กลับบ้านได้ด้วยวิธีที่เราเปลี่ยนความคิดของญาติว่าจะเอากลับไมแต่เริ่มต้นจริงๆไค่ก็ยังมีโอกาสจะรอดแล้วก็รอดจริงๆอไรเงี้ยก็เยอะทำให้ทีมรักษาเองก็จะลำบากใจเป็นปัญหา แท่มีเครื่อนรางเนก็คือญาเนี่ยจะกังวลว่าถ้าอากลัตอนที่คนตายยังมีชีวิตอยู่กับถ้าเ ด, ดเราออกลัเนี่ยเขาจะสิคใช้จายมากกว่ากันนี่ก็เลยเป็นปัญหาในการที่ญาติตัดสินใจและบางครั้งเด็ญาติที่มาฟกับเราเนี่ยไม่ใช่ญาติสายตรงลกา ค, คือในกรณีเชในกรณีที่ <c oughs> ต้องการให้กลับไปสงบที่บ้านเนี่ยต่มาคิดว่า ถ้าหาว่าเราคิดว่าถ้าก็าอยู่อยู่โรงพยาบาลอยู่กับเราเนี่ยโอกาสที่ที่จะรอดนี่มีมีทางเนี่ยแล้วพอเกิดว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่ที่เราคาดคิดเนี่ยอัตมาคิดว่าก็ยังไม่ก็ยังมีโอกาสอยู่อยู่ในการที่จะช่วยเขาจากไปสงบที่โรงพยาบาลยังเป็นไปได้ใช่ไหมฮะอัตมาเก็คิดว่าถ้าถ้าสมมติเราสามารถที่ทําให้ถ้าเราคิดว่าคงจะไม่ไหวแล้ ว, แ ล, วแล้วก็เราก็เลิกแทนที่เรา แต่ที่เราจะใช้วิธีการที่จะทําทุกวิธีทางเนี่ยก็เริ่มกลับมาสู่กระบวนการที่ทําให้เขาจับใจสงบ ต, ตรงนั้นเนี่ยธรรมาคิดว่าก็อาจจะยังยังสมประสงค์ของของญาติได้อยู่เพราะว่าเขาก็อยากให้ผู้ป่วยจับใจสงบอยู่แล้วใช่ไหมคือก็ไม่ได้เขาก็มองในแง่หนึ่งคือว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้คือการที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยถ้ า, ถ, าถ้าเราถ้าคิดว่าหนึ่งถ้ารักษาได้ดีเขาลอด และสองถ้ารักาไม่ได้เขาไม่รอดแต่เขาไปอย่างสงบในแง่ของญาติก็คิดว่ามันก็น่าจะก็น่าจะยอมรับได้คราวนี้ธรรมคิดกระบวนการที่เราจะช่วยให้เขาให้คนไข้จับใจสงบโดยที่ญาติเนี่ยก็อาจจะได้มีส่วนร่วมด้วยธรรมาคิดว่ามันก็น่าน่าจะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นทางเลือกที่ที่ยอมรับได้คิดว่าญาติจะยอมรับได้ไหฮะ เอิดมาก็เคยประสบเหตุการณ์นี้กับกับโยมแม่นะแต่ก็ยังรู้สึกว่าการที่เรากัโยมแม่ก็โดนอุบัติเหตุแบบที่ไม่น่าเชื่อก็คือว่ากลาลังเดินกำลังอยู่บนบนบ น, บนกลางถนนเนี่ยข้ามถนนเนี่ยอยู่บนเส้นกลางถนนเนี่ยบนทางม้าลายนะฮะแล้วก็มีรถรถสมล้อเนี่ยแล่นผ่านแล้วในรถ3ล้อเนี่ยมันมีคนเมาอยู่เวลาประมาณเที่ยงนะฮะมีคนเมา แล้วก็อ้วกพอดีโผล่วงมาอ้วกก็มาชนกับโยมแม่ซึ่งกำลังยืนอยู่บนนั้นนะยืนอยู่บนถนนนะลม้มลงมาหวัวหวัวกระแทกพื้นนะก็เปอร์เซ็นต์เล่าก็ไม่มีแต่ว่าก็ ก, ก็ต้องก็ทําทุกวิถีทางมองในแง่หนึ่งก็คือว่ามันเป็นโอกาสมันเป็นโอกาสการที่โยมแม่ไม่ไม่ไม่เสียชีวิตทันทีในขณะนั้นเนี่ยหรือในวันนั้นเนี่ยแต่สามารถที่จะอยู่ไปได้สามสี่วันเนี่ย มันเป็นมันเป็นโอกาสที่ทำให้ลูกๆได้ทำใจได้เพราะถ้าเขาไปตอนนั้นเลยเนี่ยลูกนี่สัยคงจะตกใจมากเลยนะแต่ว่า 3-4 วันเนี่ยมันก็มันก็ก็เป็นเวลาที่นานพอที่ลูกๆเนี่ยจะค่อยๆทำใจได้ทีลนนิดที้ลนิดจนกระทั่งพอเหตุการณ์เกิดขึ้นวันจันทร์วันศุกร์ไปก็ก็ก็ยอมรับได้มากขึ้นสมาธิ์่วในแง่นี้เนี่ยถึงกรณีอัเนี่ยแต่วสมาธิคิดว่า แม้การช่วยเขาจากไปการช่วยเขาได้อยู่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็มีผลต่อจิตใจของของญาติได้เหมือนกันนะนไข่เองเนี่ก็ไม่อยู่สภาพรับรู้อะไรเท่าไหร่จะไปช่วยจิตใจคนไข้ตอนนั้นก็คงเกิดประโยชน์ไม่เกิดะอ๋อรับรู้ได้อาตมาคิด่อรับรู้ได้เพราะว่ามีโยมโยมแม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อต่อการรักษาแบบเช่นพวกพลังจักรวาลหรืออะไรพวกนี้แล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยอาตมาคิดว่าอาตมามีความเชื่อว่า แล้วก็หลักฐานที่มันที่ ท, ที่ที่ออกมาเรื่อยๆเนี่ยทั้งการแพทย์เองแล้วก็ทั้งจากประสบการณ์ที่แบบเรื่องเล่าเนี่ยทั้งเจ้าตัวเองทั้งจากจ า, ก, จา ก, กคนที่ประสบโดยตรงแล้ว จ, จากเรื่องที่เล่าเนี่ยมันพบว่าคนที่โคม่าเนี่ยเขารับรู้ได้รับรู้ได้บางคนเนี่ยเขาอย่างเช่นพยาบาลคนหนึง่งซึ่งตอนนี้มาเป็นวิยาก ร, ร ใ, หกให้กับโครงการเผชิญคตามตายสงบเนี่ย ยงการดาวสีเนี่ยแกเป็นคันเป็นพิษแกโค ม, มาตอนที่โค ม, มาเนี่แกได้ยินเสียงพยาบาลและหมอนี่คุยอะไรบ้างนะมีกรณีหนึ่งอันนี้คุณหมอมัลาเล่าให้ฟังคนคาดประสบเหตุแล้วก็ไตวายวกระทำหันส่งโรงพยาบาลทันทีคล้ายกับที่ ท, ท, ท, ที่ที่เล่าเนี้ยแล้วก็หมอก็บอกโอกาสรอดเนี่ยมีไม่มากนะยางมากสุดคือห้าสิ้าสิบ แล้แกโคม่าเป็นอาทิตย์แล้วแต่แกลอดมาได้นะและแต่ล่าให้ฝังว่าตอนที่ตอนที่แกแกโคม่าเนี่ยใจของแกเนี่ยมันเหมือนกับหลุดออกมามันมันเหมือนก็ทําท่ามันจะหลุดออกมาออกมามันเคว้งเพราะมันจะหลุดคงมันจะหลุดจากล่างเนี่ยนะและแกรู้ว่เป็นครั้งคราวที่มีเหมือนก็มีรู้สึกถึงคนรู้ถึงการสัมผัสมีคนมาสัมผัสตัวแก่และมีพลัง ที่ทําให้ดึงจิตที่จะหลุดเนี่ยกลับมาประศกาวนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วเมื่อแกฟื้นขึ้นมาเนี่ยก่อนที่จะฟื้นนี่ก็มีเหตุการณ์ลาอย่างแต่เรื่องมันจะยาวนะแต่เมื่อแกฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยแกพบว่าเป็นเพราะมีพยาบาลหัวหน้าพยาบาลเนเวลาเอ่อเวลาออกออกเวรมาเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยนะก็จะก็จะไปไปอ่า ไปทักทายคนไข้แล้วก็ให้กําลังใจในกรณีที่คนไข้ที่โคม่าแกก็จะเอามือไปสัมผัสนะแล้วก็แผ่เมตตาให้ขอยหายไวๆขอให้กลับฟื้นตัวเร็วๆคือโคม่าเนี่ยแกกรณีเนี้แสดงเลยว่าแกรับรู้ได้แล้วที่มันแปลกก็คือว่าบางคนเนี่ยเขาเห็นนะฮะ มันมีคนนึงเนี่ยที่เกิดขึ้นที่เมืองนอกนะฮะอยู่หัวใจหยุดเต้นแล้วก็รี บ, ร, บรีบพาส่งโรงพยาบาลกระทันหันแล้วตอนที่จะช่วยทําการใส่ท่อหายใจเนี่ยพาก็คนไข้เนี่ยแกแกมีฟันปลอมเนี่ยพยาบาลก็ถอดฟันปลอมก่อนแล้วก็ใส่ใส่เครื่องใส่ท่อเข้าไปช่วยหายใจเจวันต่อมาแกแกกลับมาเป็นปกตินะฮะแกเห็นพยาบาลคนนั้นเนี่ยผ่านมาแกก็ทักว่า คุณใช่ไหมที่เป็นที่ถอดสันฟอมผมก็ใช่นะคำถามคือแกแกเห็นได้ยังไงแกเอาอะไรเห็นแกหมดสติหัวใจไม่หยุดเต้นนะเอาหัวใจไม่เต้นแล้วแกเห็นด้วยอะไรมีเด็กคนหนึ่งเจ็ดขวบนะฮะจมอยู่ในน้ำยี่สินาทีแต่มันเป็นเขาจะมันเป็นมันเป็นน้ำน้ำที่เย็นมากเอาขึ้นมานี่ปบอกว่ามานตาไมมาตานี่ไม่ตอบสนองเลย เลือดเป็นกรดสูงมากผ่านเครื่องซีจีสแกนสมองบวมนะหมอก็บอกว่านี่ไม่มีทางสามวันต่อมาแกฟื้นฮะแล้วแกเห็นหมอแกบอกว่าแกก็ทักเลยหมอก็สงสัยทักได้ยังไงแกก็บอกแม่ว่าเนี่ยแกแกเห็นหมออยู่สองคนคนนึงมีหนวดคนนึงไม่มีหนวดแล้วแกก็เล่าสภาพบรรยากาศในห้องอีมเมอร์เจนซี่ได้นะแกเห็นได้ยังไงฮะ แ่รู้ได้ยังไงนอกจากนั้นเนี่ยนะเห็นรู้สึกเซนได้ของพลังแมต่ตาแล้วก็ได้ยินแม้กระทั่งเจ็บปวดนี่ก็ก็มีคนหนึ่งเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นที่อเมริกาคือแ ก, แกเป็นแกเป็นปนในสองข้างเลยฉับพลันมากเลยหมอก็หมอก็บอกว่าไม่มีทางรักษาแต่ในสุดแกก็ไปไปเข้าเครื่องไปไปเข้าเข้าไป ไปเข้าเขาเรียกว่าไปไปรับการรักษาแบบ Intensive ในเรื่องเกี่ยวกับภาษาวิทยาไม่ใช่ ICU แลมันมีคำของมันแล้วก็อยู่หลายเดือนเลยนะฮะแล้วแกรอดมาได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มันก็มันก็เป็นกรณีที่เรียกว่าบางทีโหไม่มีทางรอดเลยแต่รอดมาได้ไงไม่ทราบแล้วก็ตอนลองกลับมาเดินได้แกลอดฟังว่าตอนที่หมอมาตรวจเนี่ยหมอมาเช็คเนี่ยหมอมามา มาบีบมาบีบหัวแม่โป้งแก่เพื่อดูตอนตอบสนองแกบอกก็ปวดมากเลยแต่ว่าแกแก็อยาจะตะโกนว่าหยุดหยุดบีบสักทีหยุดบีบสักทีแต่ก็ตะโกนไม่ได้เมื่อไม่มีการตอบสนองหมอก็เลยบอกว่าคนนี้เป็นเป็นผักแล้วแต่แกฟื้นขึ้นมาได้แล้วแกก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง คือตอนนี้เนี่ยมันมันมันมีมันมัมนมันมีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยแล้วก็ที่น่าสนใจคือมันมีมันมีกรณีอย่างตอนนี้นี่ใช้เมื่อสักสองปีที่แล้ว น, นี่เขาเขาเาทำาทก็ทมีการทดลองกับเคสที่เป็นผักคนหนึ่งที่เกิดจากอุบัติเหตุนะเขาพูดกับคนไข้นะว่าระหว่างที่พูดคนไข้นี่ทจับใช้เครื่อง f m r i เนี่ย m r i นะ ซึ่งดูซึ่งสามารถที่ดูการทํางานสมองส่วนในทํางานได้ตอนนี้เขาสามารถที่จะดูได้ว่าสมองส่วนในทํางานเมื่อเมื่อเมื่อผู้ป่วยเนี่ยเขาได้รับรู้ได้ฟังหมอก็พูดกับคนไข้ว่าซึ่งเป็นพักนะว่าให้ให้กินตนาการว่ากําลังเดินรอบห้องหนงนะฮะสอง ให้นึกในใจหรือสร้างมโนภาพว่ากำลังเล่นเทนนิสแล้วก็จับภาพสมองบอกว่าสมองส่วนที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับภาษาทางานนะสมอที่เกี่ยวกับภาษาทำงานก็แสดงว่าเขาได้ยินหรืออย่างน้อยเนี่ยรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น 2. ส, สมองส่วนที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่เป็นไอมอเตอร์คอร์เทกซ์เนี่ยก็ทำงานแต่ที่สำคัญคือว่าเอาเอา เอาผลการสแกนเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนปกติที่ได้รับคาสั่งเดียวกันสองข้อบอกว่าเหมือนกันมากจนทั้งไม่สามารถจะแยกได้ว่าอันไหนเป็นของคนไข้ที่เป็นผักอันไหนเป็นของคนปกติในตอนนี้เนี่ยมันก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสมุดเนี่ยมันมันมันเป็นเครื่องเชเห็นว่าแม้ว่าเขาจะอยู่ในภาวะที่ระโค ม, มา่าหรือว่าอาจจะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าอา ส่วนทุนลายหรือในทางกายกระสับกระสายเนี่ยมันมีมันมีความเป็นไปได้นะคือจะไม่ใช่ไม่ช่รร้อยไม่ใช่ร้อยเปเนต์นะแต่มันมีความเป็นไปได้ว่าเขาสามารถจะรับรู้ได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยไม่ว่าหมอพยาบาลพูดอะไรหรือทําอะไรกับเขาหรือญาติทาอะไรเนี่ยมันมีความหมายนะ มีคนไข้มีมีมีคนไข้คนแก่แก่โคม่านะฮะแล้วก็อายุมากแล้วก็วันหนึ่งภรรยาก็มานั่งซึมนั่งข้างเตียงพยาบาลก็สงสัยว่าเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นญาติก็บอกภรรยาก็บอกว่าเสียใจยที่ไม่ได้พูดคำหนึ่งที่สำคัญมากคือ บอกความในใจว่ารักเขาและตอนนี้ก็สายไปแล้วเพราะเขาโคม่าแล้วพยาบาลบอกว่ายัางไม่สายขอให้พูดกับเขาเมื่อเขาเป็นคนปกติเขารับรู้ได้แล้วพยาบาลก็ไปอยู่กันสองคนภริยาก็เลยบอกกับคนไข้ว่าเพราะว่าพูดถึง เ, เพราะว่าบอกเขาบอกเขาเนี่ยโชคดีที่ได้มามีชีวิตคู่กับกับกับคนไข้วันนี้ แล้วก็มีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็มีอย่ันที่อยจะบอกก็คือว่าฉันรักเธอแล้วก็ฉันเนี่ยไม่อยากจะเห็นเธอทุกทรมานแต่ฉันก็ฉันอยากเธอฉันเราะฉันคงอยู่ได้ยากถ้าไม่มีเธอแต่ก็ไม่อยากเห็นเธอทุกทรมานอย่างนี้ถ้าเธอจะไปนะก็ขอให้ขอให้ไปได้อย่างสบายใจไม่ต้องห่วงฉันพูดอย่างนี้จบเนี่ย เรื่องเขาเล่านะว่าคนไข้ก็หายใจยาวสักพักแล้วเก็บกระปอันนี้ก็อาจจะเป็นเป็นเรื่องเล่าที่มันที่อาจจะเป็นการชี้เห็นว่าคนไข้เนี่ยแม้จะโคม่าหรือเป็นพักเนี่ยก็ ย, ยังรับรู้ได้อาจจะไม่ร้อยเอร์ซนอาจจะไม่แล้วอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะในทุกสถานการณ์แต่ว่าแต่มาคิดว่ า, วานี่คือโอกาสนะ แม้ว่าเขาจะโคมา่าแม้เขาจะอยู่ในห้อง ICU ไม่สามารถตอบสนองได้แต่ว่าญาติหรือพยาบาลก็สามารถที่จะช่วยเขาไปให้เขาสามารถทำใจแล้วก็ไปอย่างสงบได้ ที่ไม่แจ็นะคะแล้วก็เหมนท่าค่อนข้าจะลําบากแล้วก็บินน้อยด้วยเนาะแล้วพอดีคนขับรถเขาไม่ค่อยชินทางแล้วก็ทางจะเป็นราด ช, ชันมากชันนี่ที่ว่าดิ่งลงนี้เลยนะคะแล้วก็พอดีเบรคแตกก็ไม่สามารถที่จะมาขับรถได้แล้วคนที่อยู่ในรถทั้งหมดนี่ก็คือรถความคือแบพอดีเขาสามารถที่จะพายุรถไปตรงที่ต้นไม้ได้นะคะไปเบรคลตงต้นไม้โดยที่ข้างล่างจะเป็นเหวค่อนข้างจะลึกไงะคะ แต่คนในรถนี่ประสบปุบัิเหตุหมดเลยหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ประสบอุัติเหตุนะคะแล้วก็ช่วงนั้นนี่หนูหมดความรู้สึกแล้วก็มีความรู้สึกว่าความจำของขอ ง, ของเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะหนูไม่รู้สึกตัวเลยหนูรู้แค่ว่าขณะนั้นหนูนอนอยู่ในรถแล้วก็เหมือนหนูหลับไปไงคะแล้วก็ช่วงที่ตอนนั้นนี่คือหายไปเลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและหนูก็คือมีความรู้สึกว่า มีคนมาเรียกหผมให้เดินตามไปแล้วคนนั้นก็คือคุณยายของหมที่เขาเพิ่งเสียไปประมาณสองปีนี่คะ่ะเขามาเรียก ว, ว่าให้ตามยายไปหน่อยนี่คะ่ะผมก็เลยเดินตามเข้าไปคะ่ะแล้วก็ได้ยินเสียงเรียกอยู่ข้างหลังว่าพี่พี่กลับมาเถอดบอดีเป็นน้องที่ไปขอกค่ายาสาด้กันนะคะบอกว่าพี่พี่คือเขามาเรียกอยู่ข้างเตียง ว, ว่าพี่พี่ตื่นได้แล้วนี่คะ่ะ ไปไปทากับข้าวให้หน่อยาว่าหนูมี้าที่ทำกับข้าวของผูาสานยหนูก็เลยอ้ายายเดี๋ยวเดี๋ยวอยายรออยู่ตรงนี้หน้าหนูหันกลับไปดูค่ะหนูก็ไปดูว่าหนูทำงานเสร็จสิ้นหรือยังเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูจะตามยายไปแล้วหนูก็หันกลับมาพอรู้ตัวอีกทีคือหนูมาฟื้นตอนประมาณเที่ยงคืนของหนูอยู่ที่ ICU ีอุบัติเหตุแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็หนูว่าเอ๊ะทำไม เพื่อเล่นเลงจังเลยเอหนูมานอนตรงนี้ทำไมเนี่ยหนูไม่รู้สึกตัวเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยค่ะก็ถามเพื่อนเขาดูเนยค่ะเขาคงบอกว่าหนูคือแบบกระเด็นลงจากรถนะคะคือตกจากรถค่อนข้างสะแรงด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเ้าไม่มีแล้วก็คือหยุดหายใจช่วงหนึ่งแล้วก็มีน้องเขาขึ้นฟําให้หรือว่าทําไมรู้สึกคือข้างหลังเนี่จะเจ็บจะปวดนดิดๆเนี่ยค่ะเหมือนกัว่ากระดูกจะร้าด้วยนะคะก็เลยแบบขอให้เขาเล่าให้ฟังเข้าม่า ก็เลยส่งตัวหนที่โรงพยาบาลแจ่มตอนนั้นนี่คือพอดีเป็นพยาบาลหมดเลยแล้วก็มีรุ่นพี่เขาไปด้วยไงคะเขาก็ช่วยกันใหญ่เลยแล้วก็หนูนี่พิมพ์ที่ไม่เท่ากันคือม่านตาตรงเ้นตาไม่เท่ากันเขาเลยสงสัยว่าจะมีบีในหัวหรือเปล่าค่ะเขาเลยโทรมาประสานงานของที่โรงพยาบาลเราแล้วก็ส่งตัวหนูมาเป็นคนแรกค่ะเพราะว่าหนูเริ่มเพี้ยนแล้วก็คูดจ่าไม่รู้เรื่องไงแต่หนูไม่จําไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นขนาดนั้นเนี่ยตอนที่เขาส่งตัวมาหนูก็ไม่รู้เลยแตะมีอาจารย์ นั่งมาหนูด้วยนะคะราะว่าหนูพยายามจะรุกแล้วพยายามจะเวไรนตลอดเลยนะคะจนมาถึงนี้เขาทำทำซีทีเวย์เอ็กซ์คอมพิวเตอร์ดูเขาบอกว่าสมองหนูจะบวมี่ยค่ะคือเขาน่าจะบวมเยอะด้วยแล้วก็มีร้ำตาลาด้วยมีเลือดออกเยอะเขาก็เลยแพงที่จะผ่าค่ะก็เลยตามพ่อกับแม่นายนะคะแม่นี่คือร้องไห้ใหญ่เลยแม่บอกว่าเขาร้องไห้คือไม่คาดคิดว่าหนูคงไม่ไหวแล้วคงไม่ได้แล้วเนี่ยค่ะก็เลยว่าจะเข้าห้องแล้วก็วันนี้เขาก็เลยว่า ขอท CD, าซีดีอีกรอบนึงก่อนที่จะเข้ารักกันเนี่ค่ะพอทำซีดีแล้วกนนร CD, ว็รู้สึกว่ามันมันดูดซึมเข้าไปบ้างแล้วทางร่างสมองก็ยุบวมมันมาบ้ากแล้วเพราะว่ามันรอโดยอีสภาพรักกันเ น, น, นี่ยค่ะจนผมมาฟื้นขึ้ น, นมาแต่ว่าหนูจะฟื้นได้ไม่นานนะคฟื้นแป๊บเดียวแล้วก็จะกลับต่อแล้วก็เดินนี่ลงมาเดินนี่เดินจะเดินเอียงตลอดเลยนะคะจนที่เขาว่าเาย้ายไปแล้วกันาย้ายออกมาแล้วกันว่าเริ่มรู้สึกตัวเองแล้วแต่ว่า หมูจะเดินได้ไม่ไกลโดยประมาณ 9, 29ก็จะล้มแล้วก็เดินอย่างตลอดก็อยู่พักฟื้นนี่ใช้เวลาพักฟื้นนานกันนะคะแล้วก็ความจำระยะจะเป็นใครเป็นคนที่ความจำระยะสั้นนะคะคือเวลาอาา่านหนังสือสนุกมาเรียนหนังสือนี่คือคนอื่นเขาออ่านหนรอมูต้องอ่าน่วงหน้าไปสีรอบหมูถึงจะจำได้ะคะ่ะใช้เวลาในการฟื้นตัวประมาณ2ถึงปีะคะ่ะถึงจะสามารถทมาเป็นคนปกติได้ะคะ่ะแต่ว่าตอนที่หนูอยู่ที่ค่ายอาสาจะมีความรู้สึกว่า มีคนเดินตามตลอดเงมีคนเดินตามว่าไปที่ไหนก็จะมีคนเดินตามตลอดหนูก็เลยว่าเองตัวเองมีซิกเซนอะไรหรือเปล่านี่ยคะคือความรู้สึกว่ามีคนเดินตามไปไหนก็เดินตามหนูก็เลยว่าอยากทำอะไรก็ทําอยากกินอะไรก็กินหาได้เลยแล้วหนูว่าคือมาปร้สึกว่าที่บ้านต้องมีมีเรื่องหรืออะไรพก็มีคนรู้สึกว่าจะตามหนูเดินไปหนูก็เลยบอกให้พี่เขาที่ลงมาซื้อของข้างนอกว่านะให้โทรกลับไปที่บ้านหน่อยว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าแต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองอะค่ะ เป็คนที่บ้านก็อาจจะว่ามีคนมาบอกลูกหน้าในละน้องเนี่ยคะก่อนก่อนเกิดเหตุใช่ไหมค่ะก่อนเกิดเหตุตอนที่อยู่ในค่ายอะค่ะแล้วพอมุงมา่ก็เลยแบบทํำมุม่งใหญ่เลยตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ไปอีกเลยไม่ไปใช่ไหไม่ไปใ่ แ, <c oughs> แล้วที่ชอบไปนะตั้งใจว่าจะไปทุกปีแต่ะ่าตั้งแต่นั้นมาแม่ห้ามเด็ดขาดไม่ให้ไปนแล้วที่เรียนเสียงร้องนี่เสียงร้องคือไม่มีจีิงๆไม่ไม่มีใครร้องเนี้ยไม่มีใครเรียกเนีเพื่อนเนี<ม>่ย มีน้องที่ไปด้วยเขาเรียก่ะตอนที่เราโดรงพยาบาลด้วยแล้วเขาอยู่อยู่ด้วยเามาเรียกว่าพี่โนพี่โนไะกลับมาเั้กลับมาพี่โนอยู่ไหนฮะที่โรงพยาบาลที่ที่โน่นไม่ทราบาเรียกที่ไหนแต่น้งมาฟื้นตอนเที่ยงคืนของที่โรงพยาบาลนะคะอืมเค่ะ คือเคสนี้นะคะคนไข้เป็น C A r e s นะคะจางสมติตารู้จักดีนะคะเราไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเนาะแล้วก็คนไข้นี่ไม่ยอมรับความตายจนหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายที่จะจากไปนะคะเขาเป็น C A b r e ได้เจ็ดปีนะคะแล้วก็ครัตอนแรกที่เป็น C A b r e นี่หนึ่งปีแรกนี่ไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรักษาสักอย่างเลยนะคะปิดตัวเงียบอยู่ในบ้านเพื่อนฝูงนี่ไปเยี่ยมไม่ยอมไม่เข้าพบปะทุกคนเลยไม่ยอมให้เข้าไปนะคะพอปีที่สองผ่านมานี่เริ่รักษา แต่คนรักษาแล้วปรากฏว่าแมลงก็ลูกกลางไปแล้วนะคะก็เข้าไปที่ตอมเดืองที่อะไรก็อพดอดีพี่คนนี้เขาเป็นผู้ผผมีพระคุณคะกับผู้ที่เล่าลนะคะก็ไปรักษาหลายที่นะคะหมอที่ไหนดีที่สุดก็จะไปรักษานะคะรักษาจ า, ากสมุนไตก็หนีไปกรุงเทพอะไรอยงี้ค่ะกลับไปกลับมานะคะจนได้7ปีแล้วระหว่างที่อาการดีขึ้นบ้างนี่ก็จะหาเงิอนอย่างเดียวนะคะก็จะทําคอนโ ด, รรสสดสร้างขึ้นสร้างขึ้นตลอดนะคะ เรื่องการไปวัดหะไรนี่ไม่เคยไปสักอย่างเลยค่ะจนวันสุดท้ายนะคะและ้วก็ในเรื่องของครอบครัวนม่คือตามคนต่างอยู่มีมีเงินจริงค่ะแต่ว่าตามคนต่างไปค่ะมีลูกสองคนก็ไม่ค่อยดูแลแม่เท่าไหร่แม่ก็อยู่กับลูกจ้างพอพอท่านท่านอยากจะจะเลอกก็จะแรียกผู้ผู้เล่านะคะไปพอจบเลอกเสร็จก็บอกว่าสุนทรีกลับไปเถอะไม่ต้องอยู่แล้วเราจะท้าสลิงอะไรนี่ก็ไม่ยอมรับและนี้มาถามพวกเพื่อนๆของพี่เขาก็บอกว่า อ่าเธอเธอเป็นคนดีไม่ใช่คนป่วยเหมือนฉันนี่เธอจะมาปลอบใจเะไรฉันแน่ฉันเป็นมะเร็งฉะนรู้อยู่แล้วนีคะแต่ถ้ากับคนที่เป็นมะเร็งด้วยกันท่านจะช่วยหมด น, นะคะจะพาไปกินเลี้ยงจะเล่าเรื่องประสบการณ์ในเรื่อง K M o, เคโมีอะไรจะ ซ, ซับพอร์ตให้ทุกอย่างนะคะซับพอร์ตคนที่เจ็บป่วยด้วยกันแต่ในคนดีอย่างพวกเรานี่ไม่อยอมให้เข้าเข้าหาจนวันสุดท้ายนี่อยู่โรงพยาบาลจะใกล้ใกล้จะเสียชีวิตละอาจารย์สุเมตระก็ลงมาสุนารีเธอไปดูไหนซิ คนไข้กรสับรสายเนี่ยจะทำไงเราก็ใจไม่ดีใจถึงอยากช่วยเพราะว่าถือว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณนะคะคือบ้านที่อยู่ทุกวันนี้สามีเขาทำงานด้วยก็จะออกเงินให้แต่ไม่ไม่คิดค่าระเบี้ยซึ่เราก็หาดหัดเงินจากสามีส่งกันจนตอนนี้ได้บ้านได้แรงหมดแล้วก็ถือว่าเขามีผู้เป็นผู้มีคนสงสึกนะคะเออเราจะช่วยยังไงให้ผู้มีพระคุณจะไปด้ดีนั่นถึงพี่ระไมนะคะพี่ระไมเขาเป็นพยรบาที่นี่เหมือนกันแล้วก็ท่านจะเก่งในเรื่องของการนํา นำผู้ป่วยระยะสุดท้ายนี้ไปก็ไปเล่าให้พี่ฟังว่าพี่เนี่ยพี่เขารับไม่ได้นะคะจะจะเสียอกันละหนูอยากช่วยเขาเพราะว่าเขามีพ่ขอขุนกับหนูจะช่วยได้ยังไงเขาไม่เคยทำงานไม่เคยอะไรเลยนะคะแล้วก็อ่าแต่ว่าเราจะพูดอย่างนี้ได้ไหมคะพี่ว่าเขาเลี้ยงลูกน้องตั้งเยอะมีมีโรงงานแล้วก็มีลูกน้องตั้งสคนที่ให้เงินให้ทองแล้วก็ให้เนี่ยสร้างบ้านให้หนูด้วยนะคะแล้วก็มีคอนโดก็ทําให้คนมีงานทําพิ่เยอะขั้นเยอะเลยนะคะ พี่ก็ก็ไปพูดตามนั้นไปถึงปุ๊บขั้นแร ก, กเธอเธอไปเตรียมดอกไม้มานะเอาสองชุดชุดหนึ่งนี่ก็เก้าดอกเพียน9ก้าเก้าเล่มแล้วก็ธูปเก้าเล่มนะคะมัดไว้หนึ่งอันแล้วก็อีกอันก็ห้าอ่าเอาท่านเอาที่ห้านี้ไปก่อนนะคะพี่ละไมไปถึงปุ๊บ ก, ก็จะมาแนะนําตัวว่าพี่พี่เป็นพยาบาลนะพี่พี่เล็กก็เคยเคยทำงานที่นี่แ้ว น, นะคะหนูเคยเป็นลูกน้องพี่นะพี่รู้จักหนูไหมนะคะ แล้วพี่เขาก็จะทิ้งระยะช่วงหนึงพอให้พี่เขาร ล, ล, ลุกได้เสร็จแล้วก็จะนำว่าตอนนี้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะมันมันไม่ดีมันไม่เชื่อฟังเรามันเจ็บป่วยนะพี่เขามีวิธีพูดค่ะก็เนี่ยเราไม่ควรเสรียดายร่างกายเรานะเราเราปล่อยที่ข้าไปได้ไหมค่ะแล้วขณะที่พูดพี่เขาก็จะสอนนะคะว่าเนี่ย น, น้องรู้นะดูที่ขอ้อตาเขาจะให้ดูตรง น, นี้ค่ะถ้าสูบว่าคนไข้ที่มัยองได้ปุ๊บ ก, ก็จะทำหมอนคิ้วนี่ผอมหมอนใช่ไหมคะว่า ด, ดูนะ ตอนนี้เนี่ยพี่เขาบอกเขารับได้นะเพราะว่าเขาสบายๆคลายกลายตรงตรงตรงนี้ที่จะคลายนะคะแรับบอลก็เหมาะเนียดูนะว่าคนที่ใกล้จะปัดแล้วตรงนี้จะเปิดพี่เขาจะสอนนะคะว่าทําอะไรคือเรารู้ว่าพี่เขาเก่งก็เลยขอพี่มาแล้วพี่เขาก็ทําพิธีอนแรกก็คือว่าเอาดอกไม้รูปเคียนเนี่ยนะคะใส่มือพี่พี่นะคะแล้วก็บอกว่าสมมติพี่กรอนะคะไม่อยากจะชื่อว่าอ่าพี่กรเนี่ยเราทําบุญร่วมกันนะตอนเนี้ย เราขอขอมาพระรัตนาทัยก่อนนะเสร็จแ ล, แล้วก็ว่านโมว่าตามขั้นตอนไปเสร็จเรียบร้อยพอเสร็จเรียบร้อยก็บอกว่าพี่เราขมาพระรัตนาทัยเสร็จแล้วตอนนี้เราทําบุญด้วยกันนะทสาสังฆทานให้พี่เป็นประธานนะคะตอนนี้เราจะไปสร้างสารปฏิบัติธรรมพอดีพี่เขาจะมีพอดีคอีก10วันก็เลยถ้าพี่เขาเป็นประธานโดยที่ว่าให้ลูกหลานเรียกมานะคะอยู่ตรงนั้นพอดี4คนพี่ลูกที่รักนะคะ3คนมากา็แต่ละคนก็ ถวายปัดัจกันเองมาใส่ซองเสร็จแล้วโดยที่ว่าให้พี่พี่เข้าเป็นประธานแล้วก็ทุกคนก็เขียนชื่อตามแล้วพี่ก็จะบอกว่าเนี่ยตอนนี้เราพี่เป็นประธานอย่แล้วนะทุกคนทาํนาุญมดแล้วเราจะถ่ายถวายสังฆทานวันนั้นวันนั้นก็ว่าไปนะค ะ, ะพี่เขาก็รับรู้นะคะก็เสร็จแล้วนี่พี่เขาก็สมบมงบลงงงได้ก็ทิ้งระยะเวลาสั้ น, นิดนึงว่าพี่เขาก็าเอาดอกไมอ้อีกชุดหนึ่งนะคะมาให้พวกพว ก, พวกหนูนะคะแล้วก็ลูกแสนคน ก็มาขอข ม, มาโดยให้ผูดทีละคนพี่เขาจะมีวิธีนามว่าจะขอข ม, มาตอนนี้ทางนี้ให้พี่ขอข ม, มานะแล้วก็ได้ทาบุญ น, นี้โดยพี่เป็นประธานทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดเป็นการ น, นําพี่เขาแล้วก็สุดทานี่พี่พี่ละหมาเชอบบอว่าเนี่ยพี่เขาตอนเนี้ยเขายิ้มเขายอมรับเขาดีาใจที่ว่าเราไปนําทางให้เขาคือพี่เขาจะสื่อได้อันนี้เราก็รู้แลแต่พี่เขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้เขายอมรับนะแล้วหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงนี้ก็คือเอาประสมองไปนะคะ แล้วก็ให้ลูกสาคนเปลี่ยนกันสวดมนต์ให้ให้คนป่วยฟังค่ะสักครึ่งชั่วโมงก็เ็ส ค, ค่ะกอไปแล้วเสร็จแล้วลูกก็บอกว่าก่อนที่พี่พี่น้อยจะมาเนี่ยกวนกระแพ่พี่เขากวนกไวายมากเลยพอมาทําพิธีอะไรก็ไม่รู้คือเข้าทุกคนก็ไม่เคยไปทําบุญอะไรกันนะคะแล้วก็ช่วยกันพอไปทําพิธีอะไรนี่เสร็จสักครึ่งชั่วโมงนะคะพออ่านบทสวดที่ให้มาเนี่ ย, ยก็สงบก็ไปอย่างสมมมางบไงค่ะก็เลยก็อยากจะเล่าสู่กันฟังว่า บางทใีในส่วนของคนไข้ที่เราดูแ ล, แลในเราดูว่าคนป่วยเขาจะยอมรับได้บางทีมันมีความขัดในใจของคนไข้เองนะอย่างเช่นเนี่ยไม่สามารถที่ยอมรับในเรื่องโรคที่เป็นอยู่นะคะท่านที่มีความรู้นะคะก็อย่างเรานั้นนะคะก็เราไม่ยอมรับความตายที่จะมาถึงทํำยังไงก็ไม่ยอมรับเนยคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ในเรื่องขบุญก็ไม่เคยทำได้นี้ถ้าอย่างเราจะไปเราจะให้หนึกถึงนาโมรัสซาเพระว่าตไม่ได้เราจะต้องมีวิธีที่จะหา อ, อย่างที่ท่านอาจารย์สอนเมื่อกีเ้เพิ่มเข้าใจมิแก้ว่าขึ้นมามีสองทางใช่ไหมคะว่าให้ให้เห็นความจริงก่อนแล้วถึงจะสงบเนี่ยค่ะพี่เขาก็จะพูดว่าร่างกายเราเนี่ยไม่ดีไม่เที่ยงอะไรเงี้ยตอนแรกไม่เข้าใจหรอกว่าพี่เขาพูดอย่างนี้แล้วจะช่วยอะไรได้ยังไงนะคะก็เข้าใจตอนที่ท่านอธิบายวิธีีกทว่าทําให้สงบก่อนแล้วจากนั้นก็ทําบุญเนี่ยค่ะสรุปแล้วก็คือเค่นี้ก็แจกไว้ด้ดีคะ่ะแลนนี้ตัวผู้เราเองก็มีความรู้สึกว่าดีใจที่ช่วยพี่เขาได้ไปสู่สุขตินะะ กรณีนี้รู้สึกคนคนไข้เป็นผู้ญงเก่งใช่ไหมฮะแล้วเป็นคน<ม>เนก่งเป็นคนเก่งใช่ไหมฮะก็มีวรโดกแบบนี้ที่เสียชีวิตก็คือแปดร้อยราย น, นะคะคืออาตมาเท่าที่อาตมาคิดแบบเร็วๆนะฮะก็คิดว่าการที่เขาไม่ยอมรับไม่มีปฏิกิริยาไม่ยอมรับพยาบาลหรือแต่แต่ไปพบว่าเขามีความรู้สึกว่า คือเขาเป็นคนเก่งและเขาก็อยู่อยู่อยู่เรียกว่าเป็นเป็นผู้นำมาตลอดใช่หมแล้วเขายอมรับสภาพไม่ใราเขาเป็นคนป่วยเพราะการเป็นคนป่วยในความรู้สึกเขาเนี่ยคืออยู่ในสถานะที่ต่ากว่าใช่ไหมอยในสถานะที่ต่ากว่าเพราะนั่นเนี่ยเวลาเขาเขาเขาจะเาเจอคนเขาเจอพยาบาลเนี่ยเขาจะไม่ไม่ไม่อยชอเพราะรู้สึกว่ามังก็พยาบาลจะมาระสั่งมาสอนเขาจะมา มาให้เขาทาอะไรทําน้ทนทํานี่ซึ่งเขาเนี่ยเขาเป็นผู้นามาตลอดเขาจะไม่ใช่เป็นผู้ตามแต่เมื่อเขาอยู่กับคนไข้เนี่ยเขาก็จะมีความเป็นผู้นําได้เขาจะทำโน้นทํานี่เพราะเเป็นผู้นำใช่ไหมฮะแล้วก็โยมโยมละไมใช่ไหมฮะก็จับจุดตรงนี้ได้ง่ายที่ว่าให้เขาเป็นประธาน mm hmm. คือพอเป็นประธานอุ่นนําเนี่ยเออฉันก็ฟังได้คือคือค อ, อันเดียร่าคิดว่าเนี่ยคนที่เป็นคนเก่งเนี่ยเขาจะเขจะ อั่หนึ่งคนเก่งคือทุกอย่างต้องอยู่ในอำนาจของของฉันทุกอย่างแฮนด์เลได้แต่ว่าพอมาเจอแบบนี้เนี่ยมันมันเสียมากเนสิโก้ลดเยอะๆเลยแล้วก็พอมีความสุขเป็นผูน้นำจะต้องมาเป็นคนป่วยเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าไม่ยอมรับเพราะว่าความเป็นคนป่วยคือความเป็นคนที่มีสถานภ า, ภาพที่ต่ํากว่าแล้วก็มาเจอพยาบาลก็ยิ่งยอมรับไม่ได้ที่ฉันต้องทาตามคําสั่งพยาบาลนะแต่มาเช่อตรงนี้เนี่ย คงจะต้องถ้าเจอถ้าเจอเครแบบนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยต้องมาคิดว่าอาต้องลองคิดตรงนี้ดูว่า ท, ทําไงถึงจะให้เขาสื่อว่าเขายังเป็นเขาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ต่ํากับเรานะเขาไม่ได้อยู่ในสถานภาพที่ต่ำกันแต่เขาเราเป็นเพื่อนเขาหรือเราจะยอมที่จะอยู่ต่ํากับเขาก็ได้ให้เขาเป็นผู้นําแล้วเขาก็จะฟังเราได้ง่ายเหมือนกับที่เขาไปเป็นผู้นําในเรื่องการช่วยคนไข้ต่างๆเนี่ยเพราะมันผููตรงไปนวลว่าคือมันมันไปมันไปมันไปเซิร์ฟอีโก้เขา แต่เราก็อยอมรับความจริงว่านี่คือคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายคนนะแต่ต้องทำงานเราถึงจะสามารถที่จะกกมกลืนเข้าได้โดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาไม่ไม่เสียเซลล์เอสติมหรือว่าลดถูกรถอีกโกล้ลงไปจะมีคำถามใช้คำถามนี้นะจึงจึงๆกับแบบแล้วจะต้องถามอีกทีนึงคือรู้สึกว่า จังหวะที่เขาไปพูดเรื่องความตายของคนไข้นี่นะครับมันมันเป็นจังหวะซี่มันคงประเมินยากเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่รู้คนไข้จะตายจริงหรือเปล่านะฮะที่แล้วเอ๊ะมันเร็วไปไห ม, ม, ม, มที่พูดอะไรเงี้ยถ้าคนไม่เข้าใจญาติก็จะบอกพูดหม อ, หอมาพูดแล้วหรือว่าคนไข้อิจรู้ว่าให้พูดเรื่องไม่เป็นมงคลอะไรเงี้ยนะฮะก่อนตายหลา ย, ายคนก็คือเรื่องไม่เป็นมงคลแล้วก็เขาอาจจะอยู่ในระยะที่ยังเป็นระยะปฏิเสธระยะที่ดีเพรสซความพร้อมเขาเนี่ยบาทีเราประเมินได้ไม่ดีนะครับอาจจะทา สิ่งที่พลาดไปแล้วก็อาจจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีก็แบบถ้าเกิดเราไปพูดความตายในจังหวะที่ังไม่ถึงพูดหรือว่าจริงๆนะมันจะประเมินเยแต่คือเขาตอนในกรณีเช่นนี้เาเขาเขาทราบไหมว่าเขาเป็นโรคร้ายเาเขาจะทราบเป็นโรคร้ายเขาทราบเป็นโรคร้ายรือว่าอาจจะเราเองก็ไรู้ว่าเขาจะตายหรือไม่ตายนะครับหรือว่าอาจจะปุ๊บปับตายเมื่อไหร่ก็ได้หรือ่ารู้มันจังหวะที่พร้อม่ได้คุยแล้วแล้วยังคือ คุณจะบอกจะเนิ่นๆไหมหรือว่าก็คือเมื่อถึงขั้นว่าจําเป็นจริงๆแลถึงค่อยพูดคือเร า, า จ, จะเรื่องที่จะใช้คําว่าตายก็ได้นะโดยอ า, อาจจะพูดถึงว่าให้เขารู้ถึงสถานการณ์ที่เป็นจริงว่าสถานการณ์ที่เป็นจริงตอนนี้คือว่ามันการรักษาเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะเยียวยารักษาให้ให้ดีขึ้นไปกว่า น, นี้ได้แล้วก็การรักษาตอนนี้ก็อยู่ในสตูดิที่เป็นการประครับประคองคือแล้ก็พูดข้อเจริงใช่ไหม แล้วเราก็ดูดูปฏิกิริยาว่าตอนนี้ก็เป็นยังไงว่าเขาจะย้อนล็อได้ไหมแต่ให้เขามั่นใจว่าแม้แม้การรักษาเนี่ยแต่เราจะหมดหวังในการรักษาแล้วอยู่ในอยู่ในสภาพที่แค่ เ, าเาขาประคองเนี่ยก็ให้เขารู้สึกอยู่เสมอว่าเราเนี่ยคือแพทย์เปราบาลเนี่ยรวมทั้งญาติอูเนี่ยก็ยังพร้อมที่อยู่กับเขาจน นาทีสุดท้ายคือผู้งานพ่อแม่ช่วยก็เต็มที่ตรงนี้เป็นการให้ความหวังเล็กน้อยว่าถึงแม้ฉันจะแย่ในแต่ฉันน้อยเนี่ยยังมีคนช่วยฉันอยู่ยังมีคนที่ดูแลใจใสฉันอยู่มันก็ไม่ใช่ก็จะไม่ใช่เป็นความคือข่าวข่าวขาวไม่ดีต้องมาเพราะข่าวดีถ้ามีแต่ขาวไม่ดีนี่แต่ขาวมีข่าวดีไม่มีเลยนี่มันแย่เหมือนกันนะข่าวดีก็คือว่ายังไงเราก็จะช่วยช่วยคุณอยู่เต็มที่นะ อันนี้เราก็คือเราให้ข้อมูลไปอย่างนี้แล้วก็ดูปฏิกิริยาว่าเป็นยังไงแล้วเขาเขายอมรับข่าวข่าวที่ได้ไม้ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีมันมัน ม, มันรักษาไม่ได้แล้วพูดง่ายนะคือมันหมดหวังในการรักษาแต่ว่ามันได้แค่ประกบประกองถ้าเราคิดว่าเขาเขาเขารับได้เนี่ยเราก็ไปต่อไปว่าแล้วถามเพราว่าได้เตรียมอะไรบ้างหรื อ, อยังได้เตรียมอะไรบ้างหรือยังหรือว่าได้ได้ ได้คิดว่าได้ทำมีอะไรที่ยังอยากยังอยากทำแต่ไม่ได้ทํำไหมคือทั้งหมดนี้เนี่ยเขาจะดาวด้วเองว่านี่คือคือคือเขาจะต้องตายแต่เราไม่ต้องเราไม่ต้องบอกเขาเลยว่าคุณจะตายแล้วนะนะแต่ว่าคําถามของเราเนี่ยมันจะช่วยทําให้เขาเนี่ยหันมาสนใจว่าเออฉันทําสิ่งที่ฉันควรจะทําหรือ ย, อยังหรืออะไรที่ฉันอยากจะทําความสนใจมีอยู่ตรงนี้แทนมาสนใจก็มีตรงที่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันควรจะทําอะไร ไอ้เรื่องความตายคือเรื่องอนาคตใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเราเราไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นให้มากแต่เป็นแต่ร้อยทำให้เขาสึกว่าตอนนี้มันเออเเจนแล้วนะคุณคุณคิดอยากจะทําอะไรคุณทำซะแล้วเขาก็จะค่อยๆนึกค่อยๆยค่อยๆดูถ้าเราสึกว่าเขายังยังยังไม่พร้อมเราก็อาต้องให้เวลาเขสักพักแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็อาตมาคิดว่าการที่เราพูดอย่างนี้มันจะทําให้เขาได้สติแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่าเออ จะจ ะ, จะจัดการกับตัวยังไง จ, จะจัดการกับเรื่องครอบครัวทรัพย์สมบัติยังไงธรรมาคิดว่าตรงนี้นี่มันจะช่วยทำให้เขาเริ่มไม่ค่อยยอมรับได้แต่อย่างหนึ่งที่ธรรมาคิดว่าสำคัญกนะ็คือว่าก่อนที่จะบอกก่อนที่ทำให้ก่อนที่จะทาให้เขาได้รู้ว่าเขามีเวลาอยู่ไม่นานเนี่ยคือข่าวนี่ เ, เป็นข่าวที่หนักถ้าเขายังแบบเราต้องให้แน่ใจว่า ในขณะนั้นเนี่ยเขาได้แบกอะไรไปอยู่หรือเปล่ามีอมีเรื่องกังวลใดเลหรือเปล่าในความหมายของตำนานนะฮะถ้าเขามีเรื่องกังวลเรื่องลูกเรื่องกังวลเรื่องธุรกิจแล้วก็ช่วยกันเคลียร์เรื่องนี้ก่อนเคลียร์ในที่ไม่ได้หมายความว่าอาจจะเพียงแค่คุยให้เขาปล่อยวางนะพอเขาพอเขาหมดเรื่องนี้เป็นภาร์ในจิตใจแล้วเนี่ยคราวนี้เราจะบอกเรื่องนี้หรือพูดเป็นไหนย้ายเขาร่วมเนี่ยเขาจะมีเวลาอยู่ในโลกนี้ไม่นานเนี่ยเขาก็จะรับได้ แต่เขายังเขายังแบ่สมมุติเขายังแบ่งบน้ำหนักอยู่50ากิโลแล้วเราไปเติมอีก50ากิโลนี่มันมันหนักมันร้อยกิโลเาจมาคิดว่าเคลียร์ห้ากิโแรกก่อนก็คือเรื่องที่เขากังวลใจทั้งคาใจเคลียร์ให้มันให้เขาสบายใจใช่เรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างๆเราค่อยพูดเรื่องนี้เนี่ยโดยธรรโด ย, โด ย, โดยวิสัยเนี่ยก็น่าจะรับได้ง่ายกว่าตอนที่ยังไม่ได้เคลียร์อะไรเลยนะให้ตะหักคิดว่าเนี่ยอยากจะอยากจะคิดว่าถ้าเราถ้าถ้าถ้าทำสอส่วนนี้ได้เนี่ยคือหนึ่งการให้ ให้ความการให้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงสถานการณ์จริงโดยที่ไม่ต้องตัดสินว่าใกล้าตายแล้วนะแต่สถานการณ์คือตอนนี้เนี่ยเขาต้องอยู่ในพ่อที่ประคับประคองซึ่งเขาจะรู้โดยในว่าโดยในเองว่าเขาจะอยู่ได้ไม่นานแต่เราจะให้ช่วยเ้าเต็มที่นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามไปช่วยเ้าเต็มที่แล้วก็2ก็ให้เขาให้เขามาดูว่ามีอะไรที่เขาอยากจะทำมีอะไรที่เขายัางข้างคาใจามีอะไรที่เขาได้ได้ ควรรีบทำ ต, ตอนนี้ไหมนะแล้วก็กระบวนการมอร l ลหรือสปริ i t u a ลซัพพอร์ตก็ก็ควรทำไปในในระหว่างนี้ด้วยเช่นกันนะแล้วก็แล้วก็ช่วยช่วยช่วยเคลียร์อันที่สามก็ช่วยเคลียร์ช่วยเคลียร์สิ่งทงั้งคาใจหรือเครื่องกังวลเครื่องหนักเครื่องสิ่งที่เป็นพาล่าในจิตใจใเขาให้มันเบาบาแล้วค่อยค่อย ค่อยพูดเรื่องนี้นะฮะก็คิดว่าน่าจะน่าจะรับได้ง่ายขึ้น